กลงมือขององค์กรอิสระหรือมีความหวังลึกๆ ก, กับทหารว่าไปนอนรออยู่ในสวนลุมพินีแล้วก็ประกาศจะถอนได้ถอนโคนตระกูลชินวัฒนนะผมอย่บอกกับสุเทพเสื้อสุบันว่าเข้าไปอยู่ในสวนลุมถอนได้ถอนโคนได้ก็เพียงแค่ต้นไม้ในสวนลุมท้านั้นเองแหละสุเทพเสื้อสุบัน เพราะตั้งแต่19กันยายนปี49ยึดอำนาจเสร็จเล่นงานสารพัดตั้งแต่ยุพัไกไทยรัฐไทยยึดทราบันตำรวจโทรทักศิน์ร่างรัฐธรรมนูญเอาเปรียบทุกอย่างตั้งคนของตัวเองที่อยู่ในเครือข่ายอมาตะยา อยู่ในองค์กรอิสระทุกองค์กรบางองค์กรไม่มีพระบรมราชองการโปรดเ้ามีภารกิจเพื่อจะเล่นงานฝ่ายพันตำรวจโททักษิณแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้ามันทำสำเร็จพี่น้องที่เคารพบัดนี้เราจะชนะการเลือกตั้งสองครั้งติดต่อกันหลังจากการยึอดอำนาจและแพ้และพักประชาธิปัตย์ ก็แพ้ดักดานซ้ำซากอยู่อย่างนี้ครับเพราะมันเป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าการที่สุเทพไปกล่าวหาว่าคนอื่นชั่วนั้นเพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นประชาชนเขาก็ไม่ได้เชื่อสุเทพเชื่อสุบัร สุเทพจึงไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนที่น้องลองลำดับความดูสิครับว่าเวลานี้อะไรลอยมาสุเทพบันตะครุกทุกอย่างเรื่องตนบรบอเนี่ยตัษสะกมรัฐบาลถอนรอคำพิพากษาศ า, าลโลกเรื่องประสาทพระวิหารต่อมาตะครุปติดเรื่องชาวนาต้มชาวนาสักพัก จนกระทั่งข้าวเรื่องเป็นข้าวต้มแล้วทิ้งชาวนะเอาเรื่องเด็กที่ถูกยิงปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำคดีไปทิ้งเด็กอีกละ ว, วันนี้จเจ้าเรื่องการแบ่งแยกประเทศผมเรียนกับพี่น้องว่าวันนี้คนเสือ้อแดงเป็นเสียงส่วนใหญ่ของประเทศเราจะแยกประเทศหาอะไรเราเป็นเจ้าของประเทศ ถ้าใครจำเป็นจะต้องอยู่ในประเทศนี้คือพวกเราไม่ใช่พวกสุเทพเพื่องสุบร<ฆ> <cringe> ขึ้นายว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ก็ไม่มีใครแบ่งแยกประชาชนอาจจะมีความรู้สึกถึงความอายุติธรรม แต่เขาก็รู้ว่านี่เป็นประเทศไทยสทุเทพเทือสุบัรนปลูกระโดมได้ในจังหวัดภาคใต้14บจังหวัดปลูกได้11บอจังหวัดยกเว้นสามจังหวัดชายแดนภาคใตา้ที่น้องที่กรบหกสบ66จังหวัดที่เหลือนั้นไม่มีใครเชื่อสุทเทพเทือสุบัร แล้วเราจะยอมแยกทําไมเราเป็นเสียงส่วนใหญ่เราเป็นเจ um ้าของประเทศนี้ร่วมกันครับพี่น้องที่หลกหลายฝนเอประยุทธ์จันโอชานี่ก็พลอยบ้าไปกับเขาด้วยสร้างให้แม่ทัพภาคสามน้องชายติดตามเรื่องการแบ่งแยกประเทศอย่างใกล้ชิดเขาจะแบ่งกันอย่างไร มันไม่ใช่ขนมชั้นในประเทศเที่เทใส่ถาดเรียงเป็นชั้นชั้นชั้นแล้วก็ซอยเป็นสี่เหลี่ยมแต่นี่ประเทศไทยเวลานี้นี่พี่น้องที่เคารพคนภาคใตม้มาซื้อที่สวนยางภาคกีสานเต็มกันไปหมดคนภาคกีสานก็ไปอยู่ภาคใต้เต็มกันไปหมด จังหวัดชุมพรนี่เกิน 5-6 หมื่นคนกส ม, มุยเนี่ยครับคนอีสานก็เป็นจำนวนมากภูเก็ตเป็นจำนวนมากทุกหมู่บ้านในภาคใต้ก็มีร้านส้ตมตำเต็มกันไปหมดดูที่ใครมันจะยึดใครเพราะฉะนั้นสุเทพมันไม่มีที่ไปพอเปิดประเด็นเรื่องการแบ่งแยกประเทศคึกขักทันดี แขนที่คดอยู่และคักเลยทีนเริ่มต้นสายร้ายคุณหญิงก็จะมาในวันนี้และประกาศจะปิดธุรกิจตะคุนทินให้สิ้นสักผมเรียนกับพี่น้องว่านายสุเทพเทือกสุบรรมีเทือกเร่ากอกันมาอย่างไรมีชีวิตอย่างไรนั้น ประชาชนเขาก็สงสัยถามพี่น้องคนไทยทั้งชาติดิครับว่า35ปีของการเป็นนักการเมืองของสุทเทพเสื่อสุบรรทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีบ้างเป็นนั่นรื่องช่วยกเกษตรทำโรงรมยางผูร้ระเมารายเดียว300แห่งของาพาตายเจง๊งเพราะกง แจกสบกศรีขีศูนหนึ่งแจกเศรษฐีสามีหน้าห้องสาดีกาพิภาษาให้ตกเป็นของแผ่นดินไอสุเทพก็ลอยหน้าลอยตาเหมือนไม่เดือดร้อนอะไรนี่ต้องเป็นฝ่ายเรานายกรัฐมนตรีถูกขังคุกแล้วแต่บังเอิญว่านายกรัฐมนตรีชื่อชวนเหล็กไพ่รอด เป็นรองนายกจกโรงลมยางมาทำโรงพักมันสร้างได้แต่เสาครับมันสร้างได้แต่ต่อหมอ้อพี่น้องที่าทั้งหลายพฤติการส่วนตัวนี่แทบจะไม่ต้องพูดถึงเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดพูดได้ง่ายว่า อยู่หน้ากลัวทําตัวหน้าเกลียดมาจากไอ้สุเทพเสื้อสูบันเนี่ยแหละก็ <S <S มันข่มขู่คนที่กลัวมันใครกลัวมันมันจะขู่ทุกค น, นมมแต่บังเอิญว่าคนเสื้อแดงเห็นมันไม่มีใครกลัวสักคนเขาเกลียดมันทุกคน แล้วตอนเป็นรองนายกพี่น้องที่เราเท่าไหร่สแสดงอาการวางกามมาอำนาจสั่งการกำลังทาหารเข็นฆ่าประชาชนมาเป็นผู้นำกบพสเหตุผลเดียวเขาทนรอยิ่งลักเป็นนายกจนครบเวละไม่ได้เพราะถ้ออยู่ครบเวละ เลือกตั้งประชาตนยืนพื้นเหมือนเดิมแพ้เลือกตั้งอีกครับพี่น้องกาแพ้มา22ปีแล้วครั้งนี้เหตุเดียวที่ไม่แพ้เพราะมันไม่ลงเลือกตั้งถ้าลงเลือกตั้งมันก็แพ้อีกเหมือนเดิม ถามว่าทำไมคนภาคอีสานไม่มีใครเลือกพรกประยาธิ่บัรตรเพราะคนอีสานเขารู้เช่นเห็นชาติเขาเห็นสุเทพเทือสุบรรณ ว, ว่าเป็นคนเลวไม่มีใครเลือก ค, คนภาคใต้บ้านผ ม, ย, ม, น ม, มยังเห็นสุเทพว่ามันเป็นคนดีแต่พวกผมเห็นว่ามันเป็นคนชั่ว ก, <II. S 2> ก็ประนามกันทุกวัน แด่พี่น้องเชื่อผมเถอะครับว่าเหตุที่ภาคกีสานภาคเหนือไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์มูลเหตุสําคัญอธิบายเรื่องที่มาเรื่องการแบ่งแยกประเทศและผลเอกประยุทธ์จะเข้าใจพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยครับต้นต่อเรื่องการปลุกกระแสะภาคนิยมในภาคใต้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของคนใต้พรรคของเราคนของเรา ใครมาแข่งขันกับพรกประชาธิปัตย์มันจะไปละเลงที่ภาคใตา้ทุกคนผลเอกชวลิตยงยศยุทธ์ดาว่าเป็นคนลาวทุกครั้งพันตำรวจโทรตัศเสินพวกนี้เรียกว่าไอ้ทุกคำเพื่อให้เกิดความชิงชังให้ได้แต่พรกประชาธิปัตย์มันไม่คิดว่าคนภาคใตา้มีจํานวนประชากร เพียงแค่หนึ่งในสามคนภาคอีสานเท่านั้นมันลืมนึกมปเกินครึ่งมาเล็กน้อยของภาคเหนือภาคกลางเนี่ยนะครับทาาจะครึ่งๆึ่งเพราะฉะนั้นเมื่อภาคที่มีประชากร น, น้อยที่สุดดันไปปลูกกระแสาภาคนิยมเจอคนอีสานก็บอกท่าอย่างนั้น ประชาธิปัตภาคนิยมที่ภาคใต้ได้ภาคอีสานคนอีสานก็ภาคนิยมเหมือนกันไม่เอาพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือก็อเช่นเดียวกันผมเรียนกับพี่น้องว่าความรู้สึก ท, ท, ท, ที่สุเทพเทือสุบรรณได้พานักวิชาการโดยทุก พ, พี่น้องชาวต่างจังหวัด เสรีวงมุนธาไอตุสยวิทย์เนี่ยบอกว่าเสียงต่างจังหวัด15ล้านเสียงสู้เสียงกรุงเทพมหานครสามแสนเสียงไม่ได้ทั้งที่พ่อแม่มันเป็นคนแม่สอดจังหวัดตากมันก็บ้านนอกเหมือนกับเราเ่ยแหละครับไอนี่วัวลืมตีนประธานโทษผมพูดเสียชื่อวัว ก็เธยลืมตีนก็นแล้วกันก็พยายามอธิบายว่าตัวเองมีความพิเศษพิโสกว่าคนอื่นสมบัติทำรงธัญวงศ์บอกว่าหนึ่งเศษหนึ่งเสียงใช้ไม่ได้กับประเทศไทยแปลว่าไอ้คนพวกนี้มันพิเศษพิโสกว่าคนต่างจังหวัดทั้งหมดมันนี่นะครับจะต้องมีเสียงมากกว่าคนอื่น ผมอยากจะบอกกับพวกมันว่ามึงไม่ได้มีเสียงมากกว่าคนอื่นเพียงแต่เสียงมึงในคนฟังแล้วอยากจะกระเทือบมึงทุกคนในที่มึงจะได้มากกว่าเนื <S <S <ๆ>่องไปดูถูกเยียยหยามซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นแต่เวลานั้นในช่วงที่สุทเทศวรอตุบัน เครือข่ายอมาตะยาธิปไตยบริษัททางรัฐพวกหมอพวกมหาวิทยาลายัยกำลังระดมคนมาช่วยไอ้พวกนี้ขนคนจะพาใต้มันตกใจคนมันคิดว่ามันชนะแล้วแต่ปรากฏว่าตื่นขึ้นมายิ่งรักยังเป็นนายกอยู่ สุเทพมันพยายามอธิบายว่ามันต่อสู้ยาวนานทำอย่างไรยิ่งรักก็ไม่ออกอก็มึงก็รู้แล้วว่ายิงรักเขาไม่ออกเขาประกาศจะตายในสนามประชาธิปไตยมึงไม่ได้ยินหรือสุเทพเพื่อนรู้ไหมว่าทหารที่ตายในสนามรบฉทนใด้ ยิงลักชินวัตก็ประกาศว่าจะตายในสนามประชาธิปไตยฉันนั้นได้ยินไหมว่าไอ้เทือกไล่ความว่าไล่อย่างไรก็ไม่ออกถามว่าทาไมไม่ออกพราะยิงลักมีภาระหน้าที่รักษาระบอบประชาธิปไตยเอาไว้กับคนไทย ถายิงลักไปทาตามสุทเทพเสื้อสุบันลาออกไอ้สุเทพมันบอกว่ามันจะเลือกนายกมาเองเป็นคนดีทุกคนยอมรับได้ผมบอกว่าก็สุเทพมันเป็นคนชั่วมันจะไปหาคนดีที่ไหนมันต้องเอาคนชั่วที่มากกว่ามานนั่นแหละมาเป็นจนกระทั่งบางคน มีความเคลิบเคลิคล้มคิดว่าจะได้เป็นนายกายโมเสียงดังบนเครื่องบินบอกว่าถ้าเสื้อแดงต่อต้านจะต้องฆ่าถึงหมื่นก็จะต้องฆ่าเสียดายว่าเครื่องบินลำนั้นมันไม่ตกแต่ความมาังกาแบบนี้คนได้ยินกันทันเครื่องบินมันได้อธิบายความว่า ความอยากของมนุษย์อยากเป็นนายก ร, รัฐมนตรีแต่ไม่ต้องการมาจากการเลือกตั้งต้องการให้เชือกมันตั้งแล้วมาปกครองคนไทยทั้งประเทศปกครองคนภาคอีส า, านภาคเหนือภาคกลางใครจะยอมรับมันได้ใช่ไหมครับพี่น้องที่รัฐหลายมันบอกว่าปฏิรูปประเทศไทยเสร็จ ลางระบบทักสินเสร็จและจะคืนอำนาจให้ผมบอกสุเทพมาใกล้ๆและกระสิบว่าส้นตีนนสุเทพใครเขาจะยกอำนาจของประชาชนไปให้แพ้การเลือกตั้งนี่ก็ยอมรับว่าเลือกตั้งกี่ที ก็แพ้ทุกทีเพราะฉะนั้นยิ่งรักลาออกเราจะตั้งรัฐบาลแล้วใครไปยอมสูเทศเทศสื้สุบรรกก็เป็นคนที่เสียสติเท่านั้นต่อไปนี้พี่น้องที่เคารพใครแพ้การเลือกตั้งประกาศชุมนมุม บอกให้ร well, ัฐบาลที anyone, well, ่มาจากการเลือกตั Short ้งล้าออกเดี๋ยวนี้ถามว่าเราทําไมข้าวาเจ้าจะเลือกคนคนกลางมาเป็นนายกแทนถามว่าทําไมเลือกตั้งกี่ทีก็แพ้ทุกทีไม่แข่งขันในสนามการเลือกตั้งผมเรียนกับพี่น้องพวกนี้แต่ละคนมีเดิมพันทุกคนสุเทพเทือสุบันนั้น แน่นอนที่สุดหนีตายในคดีค่าคนเสื้อแดงปี53นี่เบี้ยวอายการสามรอบแล้วธาริศเพงกิ็ดบอกว่าจะขออนุนมัตหมายจับในวันที่4มีนาเอาสักทีทสิธาริศออกหมายจับสุเทพเทือทุบันยังจับวันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่า สุเทพบัตรนี้เป็นผู้ร้ายคดีฆ่าคนตายและกำลังหนีคดีเข้าไปอยู่ในสวนลุมพินีโทษประหารชีวิตคดีกบฏนี่ก็โทษประหารชีวิต ที่เหลือเนี่ยครับคดีเป็นหางว่าวเป็นร้อยคดีนะครับไม่ต้องนับเพราะนับคดีประหารชีวิตคดีแรกก็พอแล้ะข้ามันให้ตายก็จบจบกันไปแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าสุเทพประกาศอยู่ทุกวันว่าถ้าชนะมันรอดเราไม่รอดถ้าเราชนะมันไม่รอด พราะฉะนั้นสุเทพก็จะชุมนุมยืดเยื้อต่อไปได้เยสุเทพข้าวสวนลมพินีพุทธาอิสระนี่รู้แจ้งเห็นจริงเลยไปอยู่ที่แจ้งวัฒนะขอปทอก็ยังอยู่แถวทาเนียบทั้งพุทาอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐและขอปทอ ข่าวออกมาก็ตกใจกับสิ่งที่สุเทพตัดสินใจโดยไม่รู้มาก่อนพุทธะอิสระว่าแน่แน่แล้วคําตัวเป็นอาจารย์ของสุเทพหารู้ไหมว่าลูกศิษย์มันชั่วว่าอาจารย์ชั่วแล้วเนี่ยลูกศิษย์มันชั่วกว่ะมีน้องทีระทายวันนี้เราจึงมีภาระหน้าที่ ที่จะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการต่อสู้ถามว่าทำไมต้องเตรียมบอกว่าเรารบเต็มที่เต็มที่นั้นคือปี2 5งพไม่ได้ออกแรงกันมาหลายวันจังๆวันนี้แรน ล, ลี่จากอุดอนไปการลสินมหมาส า, ารคามเข้าข้นแกน่นเจอแดดเล่นงานไปตามๆกัน เพื่อจะบอกว่าเอาแดดขนาดนี้ชุมนุมใหญ่กี่วันก็จะทนได้หลายคนบอกไปเสียเวลาทำไมต้องแรนลี่วอรมร่างกายกันเอาไว้แล้วให้อมาดมันมานั่งนับรถดูนับคนดูเหมือนเวทีที่ขอนแกนเวลานี้ลองมานับหัวงคนเสื้อแดงดู และคูณด้วยสองซึ่งจะเป็นจำนวนตีนนั้นจะได้รู้ชัดเจนว่าไอ้นี่ขนาดวอมวอมนะเว้ยยังไม่ได้ระดมมาจากทุกจังหวัดภาคกิสารข้าเคลื่อนข้ากรุงเทพมหานครไม่ต้องห่วงว่าเราไม่ได้ไปที่สุทเทศสุบนัน สุเทพอยู่ในสุลลุมบินีก็อยู่ไปเราก็จะไปสำแดงพลังเพื่อให้อมาตยาได้แลเห็นว่าเล่นงานนายกยิงรัตโดยปปชด้วยความอคติประชาชนประานามทั้งหมดแต่ปปชก็ไม่รับฟังคดีพักประชาติปล่อยให้คดีขาดอายุความ เช่นโครงการขายยางพาราของกระทรวงพาณิชย์คดีบรสอกำลังจะขาดอายุความคดีขายข้าวของกระทรวงพาณิชย์และของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่เรียกว่าโครงการระบายข้าวก็ถูกข้อกล่าวหาว่าทุจริตบพรชดึงเรื่องพองมาเล่นงานยิ่งลัก คนก็ถามว่าแล้วคดีระบายข้าวของอภิสิทธิ์ทำไมไม่ดำเนินคดีบอกว่าคดีนี้ติดน้ำท่วมพ อ, โอโตโกอขอสรรที่บปชอบอกว่ารวบรวมหลักฐานให้มาไม่ได้เขาแถลงชัดเจนว่าได้ส่งหลักฐานไปให้หมดแล้ว สเสด็จพี่พระพง์นี่ขยันจริงๆสเสด็จพี่ไปกับสะสะไพโรอิสะระพง์ไปถามปปชว่าขาดเอกสารอะไรบ้างจะไปตามเอาไว้เวลานี้มันก็ตอบไม่ได้พี่บอกว่าน้ำท่วมมันไม่ใช่ไม่ใช่น้ำท่วม ปี2 5 4ความจริงมันคือน้ำท่วมปัจจุบันคือน้ำท่วมปากไงพี่น้องสีราทไหลายบประชามีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องการทุจริตแค่คุณเลือกสำนวนในการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาคดีอาภิสิทธิ์ก่อนยิ่งลัก5ปี คุณหยิบเอาของยิงลักก่อนเท่านี้คุณก็ทุจริตแล้วปปชทุจริตในการใช้อำนาจไงพยายามอธิบายว่าไม่เลือกข้างไม่มีอคติไม่มีใครเชื่อคุณแล้วปปชแต่ถามว่าคนเหล่านี้สนใจไหมมันไม่สนใจ เหมือนกับสารรัฐธรรมนูนสารนรมนูนแค่คลิปเรื่องโกงก็สอบเผยแพร่ผ่านยู u ูบเนี่ยเป็นคนธรรมดาเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วแต่สารรัฐธรรมนูนมันทนถายามันอยู่จนกระทั่งมาเล่นงานคนอื่นๆได้ต่อโดยไม่สนใจพฤติกรรมพฤติการของตัวเองเช่นเดียวกับปปช ถ้าพี่น้องไม่สำแดงพลังนั้นพี่น้องดูท่วงทานองสิครับว่ากกตมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งยกเว้นในกกตชุดนี้มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งไม่แล้วเสร็จทำทุกเรื่องได้ทุกอย่างยกเว้นในหน้าที่ของกกตเท่านั้น สมชายเนี่ยนะครับรู้ทุกเรื่องในโลกนี้ยกเว้นในหน้าที่ของกอกตเพื่ออะไรครับเพื่อต้องการในสวที่มาจากการแต่งตั้งพรรคประชาธิปตัตยบอยคอร์ดพยายามมาศัยช่องวา่างเมื่อวานนี้ผมอธิบายเรื่องการประชุมสภ า, าไม่ได้ภายใน30สวัน ไม่มีบทลงโทษให้รัฐบาลรัาการต้องพ้นจากตำแหน่งวันนี้อดีตรองประธานสสรปีห0ศสัมภาษณ์อีกแล้ววถ้ารัฐบาลยิงรักประท า, านุษถ้าไม่มีการจะตัง้งรัฐบาลขึ้นมาใหม่หลังจากประชุมสภาตามกำหนด30สวันแล้ว หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนคือสามเมาถ้าไม่สามารถจะตั้งคอรมอลไม่ได้คอรมอรักษาการจะต้องสิ้นสภาพไม่มีการอธิบายว่ามีบทลงโทษในมาตราไหนก็อธิบายความว่าจะส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญนี่นะครับ ใครก็รู้ว่าเป็นองค์กรที่ยุติธรรมมากที่สุดนี่กระเป๋าบุญกินอยู่แยกไม่ออกว่าใครซื่อสัตว์กว่ากันนะครับได้ให้พี่น้องสบายใจได้ว่าผมเชื่อว่ายัางไรก็ตามสารรัฐธรรมนูญเขาก็รู้ว่าถ้าใช้คำสั่งนี้ว่าถ้าประชุมสภาไม่ได้ภายในสาสิบวัน จะตั้งรัฐบาลหลังจากการประชุมไม่ได้บัวบไปอีกสามสิบวันและจะทําให้การ ร, รัชาการนายกรัมปีและคณะรีสิ้นสภาพนั้นถ้ามันเป็นจริงสารรัฐธรรมนูญชุดนี้ต้องสิ้นสภาพก่อนเพราะไม่สามารถทํากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญเรื่องวิธีพิจารณาความในสารรัฐธรรมนูญภายในหนึ่งปีตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเอาไว้ พี่น้องที่เคารเราะฉะนั้นศาลรัฐมนูลสิ้นสภาพก่อนที่จะยิ่งรักสิ้นสภาพมันคิดว่าในประเทศนี้เรื่องอะไรส่งไปยังศาลรัฐมนูลมันคิดว่ามันชนะทุกเรื่องซึ่งก็จริงแหละกกยกเว้นเรื่องนี้ เราด่านาลรัฐธรรมนูญตะบี้ตะบันไปเราก็จะอธิบายความว่าศาลรัฐธรรม น, นูญต้องการให้เกิดปัญหาภายในประเทศใช่ไหมที่่านมานั้นสร้างปัญหากับประเทศไทยไม่พอด้วยผมเรียนกับพี่น้องว่าอย่าได้ไปไหวไว่าปแล้วครับอย่างไรก็ตาม เขาเล่นงานนายกยิงรักได้เล่นนักการเมืองได้แต่เขาเล่นประชาชนไม่ได้ที่จะคิดว่าศูญยากาศไม่มีเด็ดขาดเพราะประชาชนจะไม่มีวันให้เกิดศูญยากาศให้คนนอกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีนี่มันออกแบบล้นเลย ให้ปปชพิจารณาในคดีข่าวสารนิมนวนวินิจฉัยการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวว่าล้มล้างรัฐธรรม น, นูญไม่มีเรื่องใดเป็นการล้มล้างเลยให้สวมาจากการเลือกตั้งตอนแก้ไขมาตรา291ให้มี ส, สร สารนักนไปเขียนคำวินิจฉัยบวกกับคำแนะนำว่าให้ไปแก้ไขรายมาตราเอรถอะพรรครลบาลเชื่อไปแก้ไขรายมาตราเจอเลยครับพี่น้องที่กระมันลวงไปฆ่าแท้ๆมันบอกว่าล้มล้างการปกครองสอสอบวกสวที่มาจากการเลือกตั้งส0 8บวกกับสองประธาน ว่าเป็นผู้ล้มล้างการปกครองไม่ยุบเซส่งเรื่องต่อไปยังปปรชรอาการชี้มูลเพื่อให้เกิดการยุติการปฏิบัติหน้าที่หลายคนสงสัยว่ายุติปฏิบัติหน้าที่อย่างไรก็ยุบสภาไปแล้วเลือกตั้งใหม่ก็ยังไม่แล้วเสร็จไอ้พวงนี้ก็รอจังหวะทันทีที่ชี้มูล ว่าสวา ส, ว ส, วสวมีความผิดที่ไปแก้ไขรับนูในสวามาจากการเลือกตั้งนี่บ้าที่สุดในโลกจากแต่งตั้งให้มาเลือกตั้งล้มล้างการปกครองทันทีที่สิ้นสภาพปกติสวที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งหมดอายุวันนี้แต่เขาจะทำหน้าที่รักษาการเหมือนกับนายก และคอรมอรจนกระทั่งได้สวชุดใหม่พวกนี้ก็จะไปนับว่าคนที่ปปชชี้มูลว่ามีความผิดจะไม่นับเป็นองค์ประชุมที่นี้เหลือใครครับก็เหลือสอวอที่มาจากการสัญหามาจากการเลือกตั้งคนสองคนเช่นรัศนาโตศิษย์สกุลท้ายที่สุดมันจะถอดถอนนายก ทอถอนขณะรัฐมนตรีทอถอนอดีตสวอดีตสอสอนตัดสิทธิทางการเมืองห้าปีนี่คือเส้นทางที่พวกนี้ไปถึงถามว่าแล้วถ้าพวกเราไม่ยอมล้วจะทำยังไงก็เอาทหารมาตั้งบังเกอร์ร้อยเจ็ดสิบหกจุดในขณะ น, นี้เอาไว้รับมือกับคนเสื้อแดงโดยเฉพาะแต่ผมอยากจะบอกว่า ถ้าคุณกินข้าวและมีสมองเนะี่ยคุณต้องรู้ว่าประชาชนเขาไม่ได้โง่อย่างที่คุณคิดหรอกที่สานันนูนเล่นเรื่องนี้ส่งมาปชาปชปปชส่งไปยังสวแต่งตั้งสมคบคิดกันทั้งกระบวนการคุณทากับพวกเรามาแล้วกี่ครั้งทำแล้วทาอีกวันนี้พี่น้องตีนักทั้งหลายผมจิงบอกว่าถ้าเราสู้ต่อไปกันแบบนี้ มันก็ไม่จบไม่สิ้นแล้วถามว่าจะทำยังไงกต็ตอบว่าทำแบบสุเทสเดอร์บันมันทำนั่นแหละครับสุเทศเดอร์บันเสนอประเด็นที่เชิงรัฐธรรมนูญหมดไม่ยอมรับตามกติกาประช า, ะาธิปไตยสุเทศมันไม่ยอมรับก็ได้เราก็ไม่ยอมรับ มันบอกว่าปฏิวัติประชาชนมันปฏิวัติจนกระทั่งคนหายหมดแต่คนเสื้อแดงเนี่ยครับแค่เริ่มต้นก็เท่านี้เลข ก, ก็เท่านี้มากกว่านี้มากี่ปีแล้วพี่น้องที่เราทล า, ายมันแตกต่างไปจากพวกของสุทเทพเืรีสุบรรณมันบอกว่าจะปฏิวัติประชาชนผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาตามสุทเทพเสรีสุบรรณ ปฏิวัติประชาชนเหมือนกันเลยครับพี่น้องเดลสายมันบอกว่าปฏิรูปประเทศไทยเราก็บอกว่าเอาสิวะปฏิรูปประเทศไทยก็เอายุบองค์กรอิสระที่ไม่มีความยุติธรรมทั้งหมดนี่คือการปฏิรูปประเทศไทยแล้วผมเรียนกับพี่น้องไปถ้าเราไม่คิดต่อสู้พวกมัน <Okay. S 2> มันก็รู้ชัดเจนว่ามันวางยาไว้ในรัฐธรรมนูญห้ามันตั้งคนของตัวเองอยู่ในองค์กรอิสระในสนามประชาชนมันแพ้พวกเราทุกครั้งเราจะได้สิบ้าล้านเสียงสิบหกล้านเสียงแต่เราต้องไปแพ้เก้าคนในปปชเก้คนในศาล ร, รัฐธรรมนูญ ห้าคนในกรกตสามคนในพูดรวนการแผ่นดินที่น้องที่เราจะไลถ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยเสียงของประชาชนก็ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลา้าตัดสินใจที่จะสู้กันมันกันเมื่อเขารุกเราเข้ามากระชื่อเราทุกครั้ง กระทืบมาตั้งแต่ปี4ีก้าปีนี้มันยังกระทืบ อ, อยู่และถามว่าทำไมจะทนให้มันกระทืบ อ, อยู่ต่อไปล่ะระฉะนั้นเราก็ต้องระดมความคิดเช่นเดียวกันสุเทพมันบอกว่าจะระดมความคิดนักวิชาการ เพื่อปฏิรูปประเทศเราก็จะระดมนักวิชาการอุรักประชาธิปไตยทั้งหลายเสนอการปฏิรูปประเทศไทยเช่นเดียวกันมันปฏิรูปได้เราก็ปฏิรูปได้ดูที่ว่าใครจะได้ปฏิรูปกันถ้าเรายืนหยัดในการต่อสู้เราไม่มีวันจะแพ้เด็ดขาด ที่ผ่านมานั้นพี่น้องที่เราทั้งหลายเราต่อสู้ในขณะที่เราแพ้แล้วทุกครั้งแต่ครั้งนี้เรายังไม่แพ้พครั้งนี้รัฐบาลก็ยังเป็นของพวกเราหน่วยงานราชการอย่างตำรวจก็มีความรักใคร่หัวใจเดียวกับรัฐบาลและพี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินถ้าราชการส่วนใหญ่ เขาก็เอาด้วยยกเว้นกับทรวงสาธารณาสุขทำตัวเหมือนสาธารณาดิบประกาศเป็นศัตรูกับประชาชนบอกว่าไม่เอารัฐบาลโกงผมบอกว่ารัฐบาลไหนรัฐบาลชุดที่แล้วหรือเปล่าแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่า ถ้าเรายืนอย่างแข็งแรงนั้นเราไม่มีวันจะพ่ายแพ้เด็กกาขนาดมันเป็นรัฐบาลเอากำลังหก0 0ืนกับสูนหแสนงบประมาณหกพันล้ามาฆ่าพวกเราถามวนมันฆ่าหมดหรือเปล่าฆ่าเสร็จแล้วทำไมมันยังแพ้อยู่แล้วจนกระทั่งเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายในวันนี้พี่น้องที่ราทั้งหลายเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนพี่น้อง ว่าเราต่างมีภาระมีหน้าที่เตรียมร่างกายให้พร้อมเตรียมใจให้พร้อมและเราก็ยังยืนยันว่าเราจะสู้ในแนวทางสันติวิธีและจะบอกไปยังสุทเทพเสื่อสุบรรณว่าคนเสือ้อแดงเป็นจํานวนมากของแผ่นดินที่มันท้าว่าให้ขนคนกันมา และนับกันว่าใครมากกว่ากันและถ้ามันแพ้มันจะยอมถอยออกไปแต่เนื่องจากว่าสุเทพนั้นมันเป็นคนที่ไม่เคยพูดความจริงพูดเท็จทุกเรื่องผมเคยชี้หน้ามันในสภาบอกว่าที่พูดเป็นยุ่มงนี้เท็จทั้งหมดยกเว้นเรื่องเดียวมันก็เยี่ยหูฟังว่าเรื่องอะไรบอกว่าตอนมึงแนะนาตัวไย ว่าข้าพเจ้านายสุเทพเพื่องสุบรร น, นั่นแหละพูดจริงตอนเดียวที่เหลือแทยทั้งหมดไม่มีหลักประกันเพราะว่าถ้าเอากันจริงๆนั้นคนเสื้อแดงไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้สุเทพเพื่อสุบรรแล้ววันนี้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าสุเทพเพื่อสุบรรมันไม่ใช่ของจริง มันคือทองชุกที่อมามอาจนี่นะครับพยายามอุปโลกว่าเป็นทองคำจริงบัดนี้สี่เดือนลอกสนิทแล้วไปจำนำที่ไหนก็จะถูกจับที่นั่นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของจริงมันทำตัวนี่นะครับเป็นคนดี เป็นผู้ปฏิบัติธรรมประท้าเราก็สวดมนต์มึงไม่ได้บอกบทเลยครับว่ากุศลารรมาแต่ดูหน้ามันแล้วพี่น้องดิก็มันจะเจอตาลปัดพระอีกไม่กี่วันวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจริงๆ เพราะคนเรานี่นะครับโลกไม่ได้ใครได้ชั่วกันยาวนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขาแบกความกดดันเอาไว้มีความหวังลมๆแรงๆนัดครั้งสุดท้ายกันทุกทีไม่มีสุดท้ายจิ่งยกเว้นวาระสุดท้ายแต่ผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องยืนหยัดในจุดยืนอย่างแข็งแรง เราไม่ยอมไม่สุเทศเทือสุบันมันลอยนวลมันเป็นอำนาจพิเศษชนแล้วเรานี่นะครับตัดช่องน้อยแต่พอตัวผมเรียนกับพี่น้องว่าเราต้องต่อสู้กับสุเทศเทือสุบันเพราะว่ากติกาของโลกประชาธิปไตยนั้นเราชนะสุเทศเทือสุบันเลือกวันไหนก็ชนะวันนั้น ไม่มีวันพ่ายแพ้สุทเทพเพื่อสุบรรณโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพวกเราคือฝ่ายบริหารประเทศนี้เหมือนรัฐมนตรีจาลุพงบอกว่าจะแบ่งแยกประเทศไปทำไมจะ บ, บ้านรือไงปัจจุบันก็เป็นรัฐบาลอยู่แล้วสุเทพมันเป็นกบฏแล้วอยู่ดีๆจะแยกประเทศนี้มันทำไมไม่ต้องแยกรอจับสุทเทพเพื่อสุบรรณดีครับ ถ้าแยกประเทศจะจับไปสุเทศเพื่อสุบานได้เลยครับมันบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นกับกฎหมายประเทศนี้ประเทศไทยประเทศเดียวนี่แหละครับละวัดกันว่าใครจะชนะที่สุเทศบรรทะใครแพ้ติดคุกผมอยากจะบอกกับสุเทศว่ามึงชนะมึงก็ติดคุกแพ้มึงก็ติดคุกและที่สําคัญมึงไม่มีวันชนะโดยเด็ดขาด พี่น้องที่าเท่าไรเพราะฉะนั้นพี่น้องรอฟังสัญญาณวันนี้หลายคนเหนื่อยล้าแวลลี่กันนี่นะครับมาพูดยังไงว่ารับแดดกันเต็มเต็มผมวายสุเทพเมื่อคืนว่ามันหน้าดำหัวขาวผมเองเนี่ยนะครับพยายามไม่แดดเผาจนหัวขาว พี่น้องดูหนังจีนนยครับหนังจีนกำลังภรยหนไอ้พวกนี้นะครับพวกที่ฝึกวิชามารขั้นสุดยอดเนี่ยหัวจะขาวสนิทไอ้นี่จะเป็นพวกคงกระพันแต่ว่ามันมีจุดอ่อนที่เรียกว่าเป็นจุดตายซึ่งคนเสื้แดงก็รู้ว่าจุดตายมันอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้น สุเทพมันเหมือนคนฝึกวิชามาขั้นสุดยอดมันหน้าด้านอธิบายได้ทุกอย่างคนไม่มีมันอธิบายเป็นล้านได้พี่น้องมากันจนแน่นขนาดไอ้พอกล้องก็ไม่กล้าโพสลงข้างล่างคนไปดูเนี่ยนะครับมันไม่ได้แน่นขนาดมันเหงาวังเวงจริงๆ จนกระทั่งบีน่น้องที่เถ้าใครได้ฟังการปราศัยของสุเทพเธือสุบรรณรวมกระทั่งไอ้สาธิตวงน้องเตยเนี่ยถึงขนาดผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับมาชุมนุมทำตัวเหมือนไปเช็คอินข้าวโรงแรมจะได้นอนที่เต็นท์รับขันนะครับแปลงสีควันสบู่ออกจากที่ชุมนุมวันไหนก็มาคืนอุปกรณ์ มันจัดได้ถึงขนาดนี้เนี่ยนะครับแสดงว่ามันไม่มีคนจริงๆบังเงินว่าแถบนั้นมันไม่ค่อยมีหมามิฉะนั้นตอนสุเทพราสายอาจจะหมาหอนรับกันเป็นทางโพรมันปลุกระดมจนกระทั่งคนกลับบ้านหมด กลไปแล้วเขาไม่กลับมาอีกบางคนนี่ครับวาดภาวานกควีดไปเลยว่าชีวิตนี่นะครับมาเสียทีกับมันได้ยังไงเมือนกัคนข้างสนธิริมทองคุณเมื่อก่อนนี่นะครับอย่างก็ผีเข้าฟังสนธิแล้วเกิดอาการนี่นะครับอยู่กับที่ไม่ได้จะต้องมาเขย่ามือต่นี่ฟังสุเทพทนไม่ได้เจอใครก็ต้องเป่านกหวีดอาการบ้าแบบนี้นะั้น มันบ้าได้ไม่นานหรอกครับเพราะท้ายที่สุดคนที่เป็นาศาสดาอย่างสุนธิหรือสุเทพเชื่อดุไบคนก็จะจับได้ลายท่านวันนี้พี่น้องนึกดิครับว่าถ้าคนที่มาวางสุเทพและเชื่อสุเทพแล้วทําไมเขาไม่กลับมาอีกล่ะครับเหตุที่เขาไม่กลับมาอีกเพราะเขารู้ว่าสุเทพมันไม่ใช่ของจริงและที่สําคัญที่สุดไม่มีโอกาสที่จะชนะ ผมเรียนกับพี่น้องว่ะแล้วถามว่าพวกเราจะทำยังไงผมบอกว่าถ้าลำพังน้ำหน้าย่างสุเทพเทือสุบันจบข่าวไปแล้วปล่อยให้มันตายอยู่ในสวนลุมพินีนั่นแหละไม่ต้องสนใจมันแต่ตัวช่วยสุเทพมันมาที่จะมาช่วยไม่ว่าองค์กรอิสระเครือข่ายต่างๆ เราจำเป็นจะต้องออกมาปกป้องประชาธิปไตยนายกยิ่งลักเป็นนายกในระบอบประชาธิปไตยอยูย่ในหน้าที่ในสนามประชาธิปไตยได้เพราะคนแสดงปกป้องประชาธิปไตยประเทศเป็นประชาธิปไตยยิย่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปได้เ <ś la> มื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยสุเทพก็เป็นกระบอ เป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายมันมีวันจบสำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องสำแดงพลังให้เครือข่ายพวกเบื้องหลังสุทเทพเทิดสุบรรได้แลเห็นและยุติการกระทำการที่ทำร้ายประเทศไทยทำร้ายหัวใจเหยียบย่ำพี่น้องคนไทยผู้รักประชาธิปไตยวันนี้จึงใช้เวทีที่ขอนแกัน สื่อสารไปยังพี่น้องแสดงทั้งประเทศว่าพี่น้องได้โปรดเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดสักผ้ารอไว้รีดได้เรียบร้อยพับใส่กระเป๋าได้สัญญาณว่าไหนออกมาจากบ้านขึ้นรถที่ท่านเคยขึ้นเคลื่อนพลข้าวกรุงเทพมา น, นครแล้วอย่าอยู่หลังตู้เย็น ไม่ต้องอยู่หน้าจอแล้วพี่น้องจะรับออกไปบุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครพี่น้องออกมากเท่าไรบางทีเราไม่ทันเคลื่อนถึงกรุงเทพมหานครเราอาจชนะไปแล้วก็ได้เพราะเขาเห็นพลังงานยิ่งใหญ่ของพวกเราสําคัญที่สุดคือหัวใจของเราต้องใหญ่กว่ากระบดชั่วของสุเทพเชื้อสุบรรณและผมก็มีความเชื่อว่า คนเสื้อแดงมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าสุเทพเทือกสุบรรกว่าข้างหลังสุเทพเทือกสุบรรหลายเท่า น, นัเพราะเราต่างร่วมเป็นร่วมตายร่วมชะตากรรมเราจึงรักกันจนถึงวันนี้คอยพี่น้องเกรียมพร้อมและเชื่อมั่นแนวทางสันติวิธีจงออกมาต่อสู้เพื่อปกป้องประชาธิปไตย รักษารัฐบาลประชาธิปไตยนี่จะเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของบีน้องเสียแดยและผู้รักประชาธิปไตยขอบพระคุณมากครับเสียงดังๆให้กำลังใจแม่ทัพคนสำคัญของเราครับลมหายใจที่ไม่เคยแพ้จะสูพ้นผมพันรับพีน้องครับ พูดถึงการแพ้ชนะสองวันที่ผ่านมาภารกิจของคนเสื้อแดงเนี่ยทำให้เอาอัหมาศคิดมากเหมือนกันพี่น้องว่าไหมนี่ขนาดลั่นกองลบแค่ภารกิจแรกนะเพราะฉะนั้นภารกิจที่ภาคเหนือก็รอการถแถลงข่าวและรอการประกาศก้าวเดินของนปชครั้งต่อไปนะครับพี่น้องถึงเวลาแล้วพี่น้องรอคอยเวลานี้ ถึงเวลาหรื อ, อยังที่จะพบกับคนที่พี่น้องรักพี่น้องคิดถึงอา้าวถ้าคิดถึงจริงๆถ้ารักจริงๆส่งเสียงดังๆยาวๆตอนรับเมื่อตะกุ้นนี้หัวหมูทะลวงฟันไปแล้วในด่านมาขานเตี้ยก็ต้องมาด้วยพี่น้องกบมือตอนรับนั่งตู้บุศซาเกือือครับพี่น้องครับ สุขสเสมอมันมอม่นเสมอมั่นคือเกา่าคิดหอดหมูเฮาสุภูสุคนเด้อยานบักเถือกบพี่น้องที่เคารพครับวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงอีกหนึ่งวันของการเมืองไทย ตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงประชาร ะ, ระบบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยอันมีองค์พระหมหากษัตย์ทรงเป็นประมุขเมื่อย่ำรุ่งยีสิบสีมิถุนายน2475ี่หวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องการต่อสู้โดยมีพี่น้องประชาชนตัวจริงชัดเจนในต่างจังหวัดเป็นคนขับเคลือ่อนเดิมที่ผ่านมาเนี่ย บรรยากาศการชุมนุมเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้ทางการเมืองส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นดาลักษ์จะมีเกิดขึ้นในภูเขาราวป่าบ้างนั่นก็เป็นการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งที่มีการติดอาวุธโดยกลุ่มที่ <Okay. S 1> เชื่อมโยงกับพรรคคอมมิวนิสต์แต่พี่น้องเดียกรบครับขบวนการประชาชน ที่ประกาศต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยืนยันหลักการสันติวิธีมีกระบวนการจัดตั้งสืบเนื่องยาวนานติดต่อกันมาเจ็ดปีเพิ่งมีขบวนคนเสื้อแดงวันนี้แหละครับที่รัน ล, ลี่ประชาธิปไตยแล้วก็สะเทือนเลือนลั่นไปทั้งบ้านทั้งเมืองกบมือโห่ร้องอะไกับพลังของตัวเองเนี่ยครับ สุดยอดจริงๆผมนิบภูมิใจซึ้งใจประทับใจครับแต่ในบางมุมของความรู้สึกก็น้อยใจตันเหมือนกันอะก็ผมบอกแล้วว่าแค่ซ้อมแค่ซ้อมยังออกมาถ้าจนสุเทพหายใจไม่ออกขนาดนี้แล้วนิตาว น, นัดเอาจริงมันจะสักขนาดไหนครับเนี่ยแล้วคนเสื้อแดง นปชจัดกิจกรรมสองวันติดต่อกันอุดรธานีเมื่อคืนนี้ก็มาหาศาลมาขอนแก่นคืนนี้ได้กำลังจากอุดรมาเสริมเติมกับขอนแก่นและอีกหลายๆจังหวัดที่มาปักหลักก็ยิ่งมากมายขึ้นไปอีกมากันขนาดนี้ไปอยู่สวนลุมจะพอเหรอือปีน้อง พี่น้องที่เคารพครับหลายคนขึ้นมาปลาใสก่อนหน้านี้ก็ได้เล่าความถึงบรรยากาศของการเคลื่อนขบวนซึ่งแน่นอนแต่ละคนก็เห็นภาพแตกต่างเพราะอยู่รถคนละคันผ่านคนละช่วงเวลาผม เ, เองเนี่ยขึ้นรถคันทีสามพี 3, ่น้องครับออกจากทุ่งสีเมืองอุดอรธานี8ปดมงกว่าๆตลอดสองข้างทางประทับใจเหลือเกิน ประชาชนเป็นเจ้าของการต่อสู้ออกมาชูมือโบกมือโบกไม้กระโดดโลดเต้นบางคนวิ่งออกมาจากบ้านบางคนวิ่งข้ามถนนมาเพราะรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอามาส ก, กัดเอาไว้ใครได้เห็นหน้าค่าตามีสัญลักษณ์อะไรสีแดงแดงก็พยายามจะเอามาชูผ้าเช็ดหน้าสีแดงก็เอามาบางคนเสื้อสีแดงก็กวัดแกงบางคนมีถุงมีถงอะไรก็แล้วแต่ ที่แสดงออกเป็นสัญลักษณ์สีแดงได้เขาก็ทำบางคนพยายามจะฝากเงินให้บอกว่าเอาไปช่วยเป็นกำลังใจในการต่อสู้สนับสนุนประชาธิไปไตยที่น้องครับเนื่องจากขบวนเราเป็นขบวนรถเงินเขาควักออกมาเนี่ยบางทีไอ้คนบนหลังคาเห็นแต่โชเฟอร์นะไม่เห็นแต่เนียกคนบนหลังคาก็บอกโชเฟอร์ไม่ทันเพระาะไมไม่อยู่กับตัวรถก็วิ่งเลยไป กว่าจะได้ไหมมาบอกว่าโชว์เปอร์จอดก่อนเขาจะบริจาคเงินเลยไปไกลเป็นร้อยเมตรปรากฏว่าผู้บริจาค ก, ก็ไม่ลดลนะวิ่งตามรถครับจะบริจาคให้ได้นี่สุดยอดขนาดนี้ครับแล้วข้าวของอะไรต่างๆสัมมหาหประดามีก็ใส่เข้ามาในรถผมนี่ได้หมดครับ กล้วยอ้อยข้าวเหนียวปลาลาสับปลาต่างๆนั่นนะไก่ทอดไก่ย่างยังมีเลยครับส่งกันเข้ามาใส่กันเข้ามาเป็นที่สนุกสนานคืนเพลงเป็นภาพบรรยากาศที่ประชาชนทำให้มันเกิดขึ้นเองเป็นการแสดงออกโดยธรรมชาติหลายคนใส่เสื้อสีแดงเพราะเตรียมตัวเนื่องจากดูโทวทัศน์รู้ว่าขบวนจะผ่านหลายคนไม่ได้ใส่เสื้อสีแดงเลครับ เพราะว่าเตรียมตัวไม่ทันแต่ลูกก็ทันหันก็รีบวิ่งออกมายืนอยู่สองข้างทางถนนตกไม้ตกมือรถเราเปิดเพลงต็ดเต้นกันตรงนั้นเราพูดจาปลาศัยก็เ hey ฮ hey hey hey hey! ส่งเสียงเชียร์กันตบมือให้กับคนเสื้อแดงและปูรักประชาธิปไตยทุกคนที่ออกมาสแสดงบาลังวันนี้ด้วย ออกมาหมดพี่น้องครับอยู่ในไร่ในนาก็รีบวิ่งขึ้นมาจากนามายืนอยู่ริมถนนบางคนจูงวัวจูงควายไม่สนใจแล้วครับทิ้งไว้ก่อนมาเชียราา์ประชาธิทปไตยก่อนได้ข่าวว่ามีบางคนเนี่ยจูงควายมาแล้วตะโกนบอกขบวนมุกจับสุเทพได้แล้วจับสุเทพได้แล้ว ทังกระบวนหันไปดูก็เห็นชูงมาตวงไม่รู้ชื่อสุเทพหรือยังไงผมก็ไม่ทราบแต่เห็นก็บอกว่าจับได้แล้วกี่น้องครับบรรยากาศอย่างนี้ใครเล่าจะลืมหลงบรรยากาศอย่างนี้ใครเจอเข้าก็ลุ่มหลง แล้วเราอยากให้เกิดบรรยากาศอย่างนี้ทั่วประเทศสัปดาห์หน้าจะไปที่ภาคเหนือไปทําให้เกิดบรรยากาศแบบนี้ภาพแบบนี้พลังอย่างนี้หลายคนถามว่าอย่าซ้อมบ่อยนะเว้ยมวยนี่อย่าไหวครูนานซ้อมสักเที่ยวสองเที่ยวก็น่าจะเข้ากรุงเทพได้พี่น้องครับใจเย็น คู่ต่อสู้ของเราไม่ใช่นายสุทเทพเพื่อสุบรร น, นายสุเทพแค่สู้กับตัวเองมันก็แพ้แล้วการประกาศยุบรวมเวทีเข้าไปที่สวนลุมพินีนั่นก็คือสัญญาณว่าการเคลื่อนไหวการเรียกร้องไม่ได้รับการสนับสนุนทั้งจากคนส่วนใหญ่จากมวลชนกลุ่มเดิมและจากบรรดาผู้มีกําลังทรัพย์ต่างๆไม่ง่ายนะครับ ดีอยู่สุเทพขึ้นเวทีแล้วก็ประกาศยุบลงมาขนาดนี้ต้องถูกกดดันจากหลายฝ่ายไม่ใช่อยู่ดีๆตัดสินใจเองได้แล้วปุบปับกระทา น, นันวันนี้พุทธาอิสราหให้สัมภาษณ์นักข่าวบอกว่าตั้งแต่สุเทพประกาศย้ายเวทีพยายามติดต่อแต่ยังไม่ได้คุยกันโทรศัพท์ไปหาก็ยังติดต่อไม่ได้นี่ขนาดกับคนห่มจีวรสุเทพก็หักหลังกันครับ ผมดูคู่นี้เหมาะสมกันดีแล้วล่ะครับระหว่างสุเทพกับพุทธอิสระผมดูฟอร์มไม่มีใครเป็นรองใครล่ะครับท่านที่รบอยู่ที่ว่าใครจะลงมือก่อนเท่านั้นเที่ยวนี้พุทธอิสระพลาดพลาดเสียทีสุเทพลงมือหักก่อนครับแต่ว่าท่านคอยดูไปก็แล้วกันนะผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้หนังยาวไม่จบง่ายๆล่ะครับ เพราะทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับลูกบวบทั้งคู่ท่านเห็นลูกบวบไหมฮะเหลี่ยมมันรอบทั้งใบยาวขนาดนั้นนะครับนั่นนะฮะรูปลักษณ์ของทั้งสองท่านวันนี้บนพื้นแผ่นดินของปีน้องในภาคอีสานปีน้องครับเมื่อเย็นผมได้ฟังคุณนิสิตชินตุไพรพูดถึงบรรดานักสู้นักการเมืองลูกอีสาน ที่เป็นตำนานรุ่นปู่รุ่นยะให้ลูกหลานคนรุ่นนี้ได้มั่นใจได้ภูมิใจว่าการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อประเทศชาติไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในรุ่นปัจจุบันแต่ตำนานลักสู้ลูกอีสานเกิดขึ้นมายาวนานไม่ว่าจะระดับนักการเมืองอดีตรัฐมนตรีอย่างที่คุณนิสิตเ่ยถึงหรือในระดับประชาชน ในระดับคนทำธุรกิจทั่วๆไปกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีตํานานของนักสู้ที่หน้าปากภูมิใจดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเวลานี้ที่ไปตรงไหนหลักกิโลเมตรใดคนก็ออกมาแหแห่นส่งเสียงเรียกร้องประชาธิปไตายนั้นจึงสืบสารอุ ด, ดมการณ์ของปู่ยะจึงเป็นเรื่องที่ลูกหลานควรภาคภูมิใจพี่น้องที่เคารพครับ เมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีการตั้งกลุ่มเสรีไทยผู้นาเสรีไทยในประเทศไทยดรปรีดีปนมยงผู้นําสําคัญของเสรีไทยสายอีสานก็คือขุนพลภูพานเตียงสิริขันผู้ลวงรับท่านทราบไหมครับว่าเตียงสิริขันในฐานะสสในฐานะดีตรัฐรมนรีของคนสกลนคร ออกมาขับเคลื่อนต่อสู้ทางการเมืองเพื่อบานเมืองได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากมายหลายกลุ่มแล้วหลายกลุ่มในนั้นมากด้วยวีรกรรมความเสียสละและกล้าหาญครั้งหนึ่งเตียงศรีขันทำไข่ฝึกเสรีไทยในแผ่พื้นที่ภาคอีสานวันนี้นั่งรถผ่านกาลสินผมจึงอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านครับพี่อาเภอนาคู จังหวัดกาลสินสมัยนั้นเสรีไทยเขาใช้พื้นที่ในอำเภอนาคูเนี่ยเป็นสนามบินหมายความว่าก็ไปปรับพื้นที่ป่าพื้นที่นานเนี่ยนะครับให้มันเรียบเข้าเพื่อเครื่องบินสัมพันธมิตรจอดลงเอาอาวุธมาให้เอาสเสบียงอาหารยุโทโธปกรณ์ต่างๆมาให้กับเสรีไทยทางไยของกองทัพญี่ปุ่นเข้ามาปักหลักในประเทศไทยได้พักใหญ่แล้ว สืบทราบทางการขาา่าวเราเราว่าในบริเวณแถวนั้นมีสนามบินที่เครื่องบินสัมบันธมิตรใช้ติดต่อให้กำลังสนับสนุนกับเซรีไทยได้ถามมาที่ทางการไทยบอกว่ามีไหมสนามบินทางการไทยก็ปฏิเสธบอกว่าไม่มีแต่ว่าฝ่ายคนของทางการไทย ที่ร่วมกระบวนการเสรีไทยรีบส่งข่าวมาตีคุณพลเตียงสิริขันบอกว่าดูให้ดีนะญี่ปุ่นเขาระแคะระคายแล้วเขากำลังจะเอาเครื่องบินมาวนว่าที่นาคูกลาลสินมีสนามบินหรือไม่ท่านที่เคารพครับเสรีไทยได้ทราบข่าวในวันนี้โดยมีกำหนดเวลาว่าพรุ่งนี้เช้าเครื่องบินญี่ปุ่น จะบินวนเข้ามาหาสนามบินเตียงสิรดิขันแม่มากมายด้วยประสบการณ์การต่อสู้แต่รู้เรื่องนี้ถึงขั้นนั่งกุมขมับเหมือนกันครับไม่รู้จะทำยังไงดีแต่นี่แหละครับประเทศไทยไม่เคยสิ้นคนดีการเสียสละเพื่อบ้านเมืองมันทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้เตียงสิรดิขันมีญาติผู้น้องอยู่สองคน เป็นลูกหลานของครอบครัวที่เป็นข้าบดีของเมืองอุดรชื่อนายสวัสดกับนายสวัสดนามสกุลตราชูสองคนนี้เป็นทั้งญะเป็นทั้งพี่น้องและเป็นเสมือนดั่งสิท์รักของเตียงสิริขันในการทำงานเพื่อบ้านเมืองเป็นเสรีไทยทั้งสองคนเห็นคุณบนเตียงเครียดมากไม่รู้จะแก้ปัญหา ย, ยัางไงเลยเข้าไปเสนอไอเดียครับ บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องเท่านี้พวกผมจัดการได้ทุกคนในวงประชุมถามว่าจะทำยังไงสองพี่น้องนามสกุลปราชูแห่งเมืองอุดรบอกว่าไม่ยะเดี๋ยวคืนนี้เอาต้นข้าวไปปลูกในสนามบินคือสนามบินนี่เป็นสนามบินนะครับไม่ใช่สนามคอนรีตบอกว่าเอาต้นข้าวนี่ไปปักไว้ ปักปักปักปักปักปักปักให้เต็มพอปักเต็มเครื่องบินของญี่ปุ่นมาดูจากบรรากาศก้มลงมาเห็นเป็นนาล้วนๆจะมีสนามบินที่ไหนทุกคนฟังดูทีแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่มันไม่มีทางเลือกอื่นก็เลยตัดสินใจไปเตรียมต้นกล้าข้าวมาพอตกกลางคืนตัดสินใจช่วยกันแล้วครับ เอาต้นข้าวดีแล้วก็ไปปักในสนามบินปักปักปักปักปั ก, ป, กปักเสร็จเรียบร้อยเกือบเช้าแล้วปรากฏว่าตอนเชา้าเครื่องบินญี่ปุน่นบินมาจริงๆครับโอ้วนไปวนมาวนมาวนไปไม่เห็นสนามบินเห็นแต่นาข้าวญี่ปุ่นบินวนสองสามรอบ ในพื้นที่เป่าหมายที่สงสัยเห็นแต่นาข้าวเลยบินกลับไปรายงานกองทัพว่าไม่มีสนามบินมีแต่นาข้าวเดชะบุญเหลือเกินเขาไม่เอะใจบินกลับมาตอนสายๆข้าวเหี่ยวหมดแล้วปักไว้ที่สนามบินครับ น, นี่คือการมีส่วนร่วมในการต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองของบรรพบุรุษของชาวอีสาน พี่น้องครับเขาเรียกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของสนามบินนาคูในคราวนั้นว่านาคืนเดียวของสองพี่น้องตะคูตลตราชูทันทีกรบรับที่เมืองสกลนครในช่วงเวลาที่คุนพลเตียงสิริขันถูกไล่ล่าจากอำนาจเผด็จการเตียงสิริขันขึ้นไปซ่อนตัวบนเทือกเขาภูพานฝ่ายเผด็จการส่งกาลังออกตามหาเท่าไรก็หาไม่เจอ เท่าไรก็หาไม่ได้ปรากฏว่าไม่รู้จะทํำยังไงเลยไปจับกำนันผูุใหญ่บ้านที่เคยร่วมอุดมการณ์กับเตียงสิริขันสนเป็มเป็นเสรีไทยเอามารีดเคล้นความลับบอกว่าเตียงอยู่ไหนบอกมากำนันผู้ใหญ่บ้านชาวสกล น, นครอดีตเสรีไทยไม่มีใครยอมแพร่กระายความลับที่ซ่อนตัวของขุนพลภูพานแม้แต่คนเดียว บางคนถูกประเด็ดการรุมทำร้ายทุกตีทรมานต่างๆจนพิการขามือก็มีแต่เจ็บเท่าเจ็บปวดเท่าปวดทรมานแสนตรมา ณ, แ, มาณแต่ไม่เคยปริปากบอกที่ซ่อนของเพื่อนอุด่วมอุดมกาจนสุดท้ายเตียงสิริขันรู้ข่าวอยู่บนภูบานอดรนทนรับฟังชะตากรรมของเพื่อน ร่วมรบร่วมสู้ไม่ได้ตัดสินใจลงจากเทือกเขาภูผานมามอบตัวสู้คดีนี่คือความกล้าหารนี่คือความเสียสละนี่คือจิตวิญญาณของคนที่เขาเคยต่อสู้เพื่อบ้านเมืองที่เขาเคยร่วมจิตร่วมใจกันมาแล้วเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินอีสานเรื่องราวเหล่านี้เป็นความภาคภูมิใจของคนอีสานทั้งหลาย พี่น้องครับวันนี้ก็มีที่กาลสินชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอพปรเขามารออยู่3ามสี่ห้าร้อยคนได้ปรากฏว่าพวกเราได้รับการประสานงานว่าในพื้นที่ตัวเมืองกาลสินเขาจัดงานกาชาถ้าขบวนเราหลายพันคันเข้าไปกลัวว่าจะไปติดแอร์อัดกันอยู่ข้างในเราเลยเปลี่ยนแผนการทหารว่าจะมีการรับอาหาร ในบริเวณข้างทางแล้วก็มีการยูเทิร์นกลับแต่จะยูเทิร์นกลับเพียงบางส่วนที่คุยกันนะครับแล้วบางส่วนก็จะเข้าไปข้างในไปพบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เขารออยู่หลายร้อยคนแต่นั่นแหละครับพี่น้องเนื่องจากว่าขบวนมันยาวแล้วเวลาขบวนมันยาวเนี่ยก็ไปตามสารจาตยานคือคันหน้าไปยังไงไอขันหลังก็ไปอย่างนั้น ปรากฏว่าพอขอบวนหน้ายูเทินได้ข้างหลังก็ยูเทินหมดเลยไม่มีใครไปหากำนันสักคนนะครได้แต่เจ๋งดอกจิกนั่งรถมูลนิธิซึ่งเป็นรถด่วนล่วงหน้าหลุดเข้าไปเจอกำนันผู้ใหญ่บ้านได้กำนันผู้ใหญ่บ้านชาวกาลสินครับกราบขอภัยและกราบขอบคุณจริงๆครับวันนี้ครับมาใส่เครื่องแบบกันเต็มยศรับ มาบอกว่าเป็นกำนันที่รักประชาธิปไตยเป็นกำนันที่สนับสนุนการเลือกตั้งเป็นกำนันที่ออกมาแสดงพลังให้บ้านเมืองเดินขนา้างหน้าไปตามกติกากำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยเตียงศิริขันเขายอมเจ็บยอมทรมานยอมพิการแต่รักษาอุดมการกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ที่กาลาสินสสเขาออกมายืนเรียกร้องประชาธิปไตย มีแต่ไอ้กำนันตัวใหญ่ๆดำๆตาปนๆที่ลุมพินีเต่านั้นแะครับที่ก่อกระบทขึ้นทางกรุงเทพเรื่องนี้ไม่ได้พูดเพื่อต้องการแยกผากแยกฝ่ายแต่ผมพูดเพื่อบอกพี่น้องชาวอีสานว่าวันนี้พลังที่ท่านออกมาเนี่ยให้ท่านภูมิใจได้เพราะบรรพบุรุษของท่าน ปู่ย่าตายายของท่านเคยเสียสละเคยต่อสู้มาแล้วต่อไปคณะลูกหลานชาวอีสานโตขึ้นเขาก็จะได้ภูมิใจว่าครั้งหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นคนเสื้อแดงเป็นนปชออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความยุติธรรมให้แผ่นดิน ส่วนคนปักใต้ก็ไม่ต้องเสียใจแล้วครับคนปักใต้ที่รักประชาธิปไตยก็มีมากที่เคลื่อไปกับเสียงลกหวีดของสุเทพเทือกสุบรรณก็มีจํานวนไม่น้อยแต่ผมเชื่อ ว, ว่าในที่สุดคนปักใต้ก็จะได้เห็นความจริงในเบื้องหน้าว่าสิ่งที่สุเทพเทือกสุบรรณทํามาทั้งหมดไม่สามารถนําพาประเทศไปสู่สันติภาพหรือไปสู่ประชาธิปไตยได้ สิ่งที่สุเทพทำมาทั้งหมดสามารถนำสุเทพเข้าเรือนจำได้เท่านั้นเองครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นวันนี้ประกาศกลางเวทีบอกว่าดูสิวับวกเสือแดงเนี่ยรวมกำลังเนี่ยมันจะบุกเข้ามายังไงพูดเลยเถิดไปถึงกันนว่าเรานี่จะไปเอากำลังของเพื่อนบ้าน เข้ามารบกับกำลังตารวจทหารในกรุงเทพเอาพูดชัดๆก็ได้เขาพูดชื่อประเทศบอกว่าเราจะไปเอากำลังจากกัมพูชาถ้าเป็นอย่างนั้นสุเทพบอกสุเทพจะกลับบ้านแล้วให้เรารบกับทหารเราเองบอกว่าจะดูไอ้เต้นไอต้ตูจะโดนขี่รูพี่น้องครับคนทำไม่บ้านี่มันพูดอย่างงี้อยู่ไม่ได้ใครล่ะครับ ที่คิดจะเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทยโดยไปเอากองกำลังต่างชาติกองกำลังเพื่อนบ้านออกมาขับเพื่อนออกมายิงกับทหารไทยด้วยกันเองแล้วยิ่งมาสู้กับขบวนการชุมนุมของสุเทพเพียสุบันไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารอะไรเลยใช้แกตีนตบกับคนเสื้อแดงเนี่ยมึงก็รับไม่ไหวแล้วผมก็แปลกใจนะครับ ว่าสุเทพเป็นอะไรจองเวรกับทางขมเนเขานักหนาเออาก็ใส่ร้ายไปสีบอกว่าเราจะไปเอากำลังของทางขมรมาอย่างนั้นอย่างนี้เพิ่งถึงบางอ้อนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันมีเพลงไทยเดิมสมัยก่อนเพลงขมรไล่ควายสุเทพคงไม่พอใจนี่พูจาแบบเนี้ยครับผู้คนเลยมาชุมนุมน้อยลงน้อยลง เพราะการพูดอะไรที่ไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีหลักความจริงนี่มันเท่ากับดูถูกประชาชนใครเขาจะนั่งทนฟังอยู่ได้สี่เดือนห้าเดือนนะครับนี่ถ้าพวกผมขึ้นเวทีแล้วพูดอะไรบา้บาๆบอๆที่มันไม่เป็นเหตุเป็นผลที่ท่านรับฟังไม่ได้ท่านจะอยู่กันมาเจ็ดแปดปีเลยะครับถ้าผมขึ้นมาผมบอกว่าผี่น้องเด็กกับรถบ้านเมืองนี้เห็นผีมันต้องรักษาประหารเสียก่อนบ้านเมืองถึงจะเจริญได้ ท่านจะอยู่กับผมไหมครับใช่ข้าผมบอกว่าพี่น้องที่เคารพ บ, บ้านเมืองนี้รัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีค่าไม่มีความหมายเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไปหาคนดีๆมาใครก็ได้ที่มันดีๆๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเอามาเป็นนายกเอามาเป็นรัฐมนตรีแล้วเราไม่ต้องเลือกตั้งกันสักห้าปีบ้านเมืองดีแนะท่านเอาไหมใช่ก็นี่แหะคาารับดังนั้นสุเทพเปียกสุบรรณเนี่ยบังเอาไปคิด ว่าที่ทาที่พูดอยู่แบบนี้คนก็ยิ่งน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วคุยโมนะครับบอกว่าไม่ต้องห่วงพี่นอ้องคอยฟังจะเป่านอ็อบบีดชุมนุมใหญ่เร็วๆนี้เราจะออกกันมามาหาศาลอีกครั้งหนึ่งผมไม่ได้ประมาทนะแต่เชื่อเถอะครับว่าคนเขาได้สติแล้วคนเขาสำนึกได้แล้วไปเดินตามไหวเลยครับสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยแค่มันทาเหรียญออกมา หน้าหนึ่งเป็นหลวงปู่ทวดหน้าหนึ่งเป็นรูปสุทเทพเตียสุบันเท่านี้ก็ตกนรกไม่ทันแล้วพี่น้องเทีย่ยคลบแล้วนายสุทเทพเตอกสุบันเดี๋ยวนี้ขึ้นฉากเวทีใหมค่ครับบอกว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวอยาแบ่งแยกไม่ได้หนึ่งเดียวคือประเทศไทยหมายถึงจะเล่นเกมไหนจะเล่นเกมใส่ร้ายคนสดง ว่าจะแบ่งแยกดินแดนจะใหมีไทยเหนือไทยใต้จะให้มีประเทศใหม่ขึ้นมาโดยแบ่งคนไทยออกเป็นสองฝ่ายคุณสุเทพเด็กสุบรรคุณจะบ้าคุณก็บ้าคนเดียวเด็กคุณอย่ามาชวนคนไทยบ้าด้วยเพราะไม่มีใครบ้าไปแต่คุณอะนปชแดงทั้งแผ่นดินไม่มีความคิดจะแบ่งแยกดินแดนแบ่งแยกประเทศไทยตัวอย่างที่ผมพูดเมื่อคืนผมยืนยันอีกที เราเป็นคนส่วนใหญ่เราเป็นเสียงข้างมากเราจะแบ่งแยกประเทศไทยทำไมเรามีหน้าที่แค่ทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไล่สุเทพลงข้างทางไปก็อยู่กันได้ก็เดินไปข้างหน้าคนไทยไม่จำเป็นต้องฆ่าต้องตีกันตายแต่เวลานี้ได้พีครับออกมาปลุกกระแสสร้างประเด็นใครต่อใครทั้งในกปปสในประชาธิปัตย์พูดก็พูดอย่างเนี้ยบอกว่าพวกนี้บ่ญแยกดินแดนแบ่งแยกดินแดน เหลือเชื่อคับคนเอกประยุทธ์จันโอชาแกตกใจเอาด้วยตกใจใ ห, ใหญ่ถึงขนาดสั่งการให้แม่พัพภาคที่สามซึ่งเป็นน้องชายไปดาเนินคดีกับคนเสื้อแดงในภาคเหนือในข้อหาจะตั้งสปปลันนะ่ะสปอปอานี่ถ้าไปอยู่ต่อกับคำว่าลาวก็จะหมายถึงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นชื่อเต็มๆของประเทศครับแต่คํำวสปปที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยน่ะมันย่อมาจากสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเป็นการรวมตัวของอาจารย์นักวิชาการเขาสปปล้านนาพี่น้องเขาเขียนกันน่ะหมายถึงสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยล้านนามันมีข่าวเป็นหลักฐาน ว่าเขาหมายความอย่างนั้นแล้วไม่รู้ไปตกใจอะไรก็เหมือนกับนปชขอนแกน่นก็เหมือนกับนปชอุดร น, นปชมุกดาหารนปชกาลสินยังเงียครับดีไม่มีใครไปบอกกันว่านปชแปลว่าหน่วยแบ่งแยกการปกครองของชาติถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสวยกันใหญ่ นี่จะไปแจ้งความไปดำเนินคดีครับข้อหาเพื่อนไหวในนามสปอปปผมก็เลยอยากจะส่งข่าวความห่วงใ ย, ยไปถึงบรรดาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายครับมีอาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายคนด้วยรวมตัวกันเป็นสปอปปเนี่ยอาจารย์ระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวเาจะสั่งแม่ทัพภาคที่หนึ่งไปดำเนินคดีกับพวกอาจารย์บ้าในข้อหาจะแต่งตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนอาจารย์ เล่นกันอย่างเงี้ยครับวนเอประยุทธ์จันโอชาครับด้วยความเคารพนะผมไม่มีเจตนาจะมาท้าทายอะไรกันนะแต่ผมยืนยันว่าต่นครบถวนในดีนะครับถ้าท่านมีข้อมูลอื่นทางลึกผมไม่ทราบแต่ถ้าแอบแฝดเปิดเปิดอย่างที่ผมพูดไอ้สอปอปอนี่นักวิชาการเขารวมตัวกันมันไม่ได้หมายถึงสาทารณรักอะไรส่วนวา่าจะมีใครไปพูดเอามันเนี่ยผมก็ไม่ทราบ ท่านอ้างว่าจะมีหลักฐานอื่นนี่ผมก็ไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆนี่ผมยืนยันได้แบบนี้ขณะนี้เนี่ยเลยต้องติดตามข่าวสารให้ดีครับพี่น้องไปพูดเอามันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไอ้พวกนั้นมันจะเอาเราให้ได้ดูหน้าตาท่าทางและสุเทพมันจะเอาเราแน่ดังนั้นเราพูดเอามันเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนี่ได้ข่าวว่าทางปายทหารครับ ไปจะให้ตำรวจดำเนินการดำเนินคดีกับโกตีคนหนึ่งโกตีแถวปทุมธานีอ้างว่าโกตีปลูกกระดมจะจับตัวผอบอพลหนึ่งโกตีน่ะเป็นประชาชนผอบอพลหนึ่งน่ะเป็นพลตรีพลตรีนะครับไม่ใช่พลตีปัญหาก็คือว่าโกตีน่ะมันจับวิทยุอยู่แถวปทุมธานี ผมยังนึกไม่ออกว่าโกตีมจะเอาสุดยอดวิทยายุทธอะไรไปจับนายทหารยศพลตรีระดับพอบพลหนึ่งได้แต่ขณะนี้กําลังมีการไปดาเนินคดีครบบอกว่าโกตีข่มขู่กาลังจะมีการจับตัวพอบพอลหนึ่งไเอาละครับผมเคารพในการดาเนินการปกป้องกันของหน่วยงานราชการถ้าท่านมีหลักฐานโกตีก็ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ต้องเผชิญหน้าตามหลักฐานตามกฎหมายไม่ว่ากันแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าโกติตีพูดออกวิทยุจริงว่าจะจับตัวผบพนหนึ่งแล้วทันวิ่งแจ้งความกันแบบนี้เนี่ยเล่าทีสุเทพเทือกสุบรรณ์ประกาศไล่ล่านางสาวยิ่งรักชินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนี่ท่านจะพูดอะไรกันบ้างไหมท่านจะดําเนินการอะไรกันบ้างไหมครับ <c oughs> นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวนี้ที่ทํางานอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่หวากรัวนะครับแต่ไม่อยากไปสร้างเงื่อนไขในกรุงเทพเพราะสุเทพมันกําลังตกมันหน้ามืดเดินเดินนี่ตาขวางน้ําหลายยืดเลยนะครับวันวันเพราะว่ามันหาที่ไปหาทางลงไม่ได้เหมือนกันนายกยิงรักคนเลยอ้าถ้าอย่างงั้นทํางานสั่งการต่างจังหวัดก็ไม่ได้เสียหายอะไรไม่มีอะไรกระทบไม่มีอะไรเป็นข้อจํากัด แต่เนี่ยครับสาธิตวงหนองเตยตัวนิดเนี่ยขึ้นเวทีประกาศรับสมัครชายชะกันห้าอคนมีหน้าที่ไล่ล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุเทพเตียอสุบรรประกาศว่าเจอยิงลักที่ไหนบุกที่นั่นยิงลักอยู่ตรงไหนจะไปจับตรงนั้นขนาดรัฐมนตรีกรลาโหมไปนั่งทํางานสนํงงานักงานประลัดกระทรวงกลาโหมก็ยังบุกไปเหมือนกันแต่ไม่เห็นนะครับ ว่าบทบาทของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านจะดำเนินการอย่างใดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอีกนะครับเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าผมก็ต้องพูดให้เป็นความจริงปรากฏไว้พอสุเทเตือสุบันประกาศหนักเข้านักเข้านักเข้าจะไล่จับนายกให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่ามีการตั้งบังเกอรอ์รอบๆการชุมนุมของสุเทพเสือสุบัน เวลานี้เนี่ยบังเกอร์มากกว่าเวทีชุมนุมแล้วจำนวนทหารมากกว่าจำนวนผู้ชุมนุมแล้วบางคนก็พูดกันเล่นๆนะครับตอนที่ครูรบผมได้ยินมาบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้รั้วของชาติจะกลายเป็นรั้วของเถื่อแล้วหรือยังไงนี่เขาก็พูดกันไปแต่ผมเนี่ยอยากให้เกิดความสบายใจกับทุกทาย ไอเรื่องการดำเนินคดีเรื่องแจ้งความว่ากันไปนะครับใครถูกแจ้งความใครถูกกล่าวหาเขาก็ต้องพิสูจน์ตัวตามกฎหมายแต่ไอประเด็นที่ประชาชนเขาวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนเขารู้สึกสงสัยเนี่ยก็ขอความกรุณาท่านได้ช่วยพิจารณาดำเนินการให้มันเกิดความชัดเจนหน่อยผมไม่มีปัญหาอะไรละครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าบ้านเมืองกาลังจะมีทางออก ไม่อยากให้ใครลากเขาไปสู่ทางตันผมเชื่อว่าประครับประคองไปดีๆผ่านเดือนมีนาคมประเทศไทยน่าจะเดินหน้าได้การเลือกตั้งก็น่าจะเดินหน้าต่อผมเชื่อของผมแบบนี้ดังนั้นช่วงนี้สำคัญมากพี่น้องครับเดือนมีนาในกระพริบตาไม่ได้เกมเนี่ยเขาไม่หวังม็อกสุเทพแล้วแต่ เขาอาจจะเข่าฮอตด้วยวิธีการประหลาดประหลาดเช่นมาตื่นเต้นกับไอ้ข่าวลือโคมลอยหรือการพูดเพียงประชดประชันของคนบางคนเท่านั้นในที่เป็นพี่น้องเราซึ่งเขาก็พูดด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจไม่ได้มีอะไรมากมายเกินเลยไปกว่านั้นไอเรื่องบอกว่าทำไมายุติธรรมก็อย่าอยู่ด้วยกันก็เท่าเนี้ครับแต่มันไม่ได้เป็นมตัตติมันไม่ได้เป็นการประกาศ แล้วมันไม่ได้มีการดําเนินการแต่ดูเหมือนว่าการตื่นเต้นตกใจเอาจริงเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่สัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เป็นอยู่ดังนั้นตัวต้องจับตามองกันหน่อยประมาทไม่ได้แล้วครับพี่น้องส่วนเกมขององค์กรอิสระเมื่อคืนผมอธิบายให้ฟังแล้วที่อุดรไอ้พวกนี้กะแทงหวยวันที่สี่มีนาเลย ว่ารัฐบาลเมื่อยุบสภาแล้วเลือกตั้งผ่านไป30สิวันยังประชุมสภาไม่ได้จะเป็นโมฆะจะหมดสภาพทันทีผมฟันธงอีกครั้งบนเวทีนี้ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีทางหมดสภาพจากการที่30สิวันประชุมสภาไม่ได้เด็ดขาดแน่นอนถ้า ใครจะเอาให้หมดสภาพด้วยเรื่องนี้ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไงแล้วครับสถานการณ์แต่ประชาธิทัตปัเอาแน่นะครับเพราะพวกนี้หนามื่นเหมือนกันมันแพงทุกประตูกับหวยแพงตั้งแต่ประตูแรกยันประตูสุดท้ายแล้วติดไว้ด้วยถูกนิดถูกหน่อยเอาหมดดังนั้นต้นสัปดาห์นี้น่าจะมีการไปยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความ ใครล่ะครับจะไปยื่นก็ประชาธิปัตย์นั่นแหละครับก่อนนับ ก, กฎหมายในเครือข่ายเขาเนี่ยจะไปยื่นบอกว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยเป็นโมฆะหมดสภาพให้ได้แต่ถ้าคนรู้จักคิดแล้วมีอำนาจตัดสินเรื่องนี้เช่นตุลาการสารรัฐธรรมนูญทั้งหลาย ถ้าท่านเพียงมีสติสักเล็กน้อยท่านตัดสินออกแบบนี้ไปได้เลยถ้าท่านตัดสินออกแบบนี้บ้านเมืองนี้ผมรับรองได้ว่าไม่รู้จะอยู่กันยังไงละครับมันจะคุยกันไม่รู้เรื่องดังนั้นอย่าไปทำมันจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่พี่น้องที่เคารพเกมเนี่ยมันจะออกทางองค์กรอิสระหรือไม่ อาจจะออกทางความเคลื่อนไหวของกองทัพที่เดินเร็วอย่างประหลาดในช่วงเวลานี้ต้องจับตาสองฝ่ายไว้ให้ดีส่วนสุเทพนี่ไม่ต้องทำอะไรมากครับเราแก่ซ้อมอย่างนี้ไปเรื่อยๆแค่นี้มันก็ตกใจตายแล้วพี่น้องครับอย่างที่ผมบอก ของเราเวลาชุมนุมนี่ช่วงค่านี่กว่ากล้องไปมานี่นเวลาเที่ยงคืนกว่ า, วาเอาตากล้องทำงานหน่อยกว่าเที่ยงคืนกว่ า, วาให้เห็นบ้าพี่น้องเราให้ดูหน่อยเอาเที่ยงคืนกว่าส่งเสียงหน่อยนี่เที่ยงคืนกว่า ของสุเทพตั้งแต่สองทุ่มครึ่งในตากล้องนี่เกรงจนแขนจะเป็นอมพาสอยู่แล้วต้องจับเฉพาะสุเทพเอาไว้ถามว่าทำไมอย่างนั้นหลุดไปทางคนฟังไม่ได้ครับเดี๋ยวแหวนตอนสองทุ่มครึ่งๆึ่งเกล็ดเสร็ศษกลางๆเนี่ยก็ต้องจับแล้วเล็งแล้วให้เกรงให้แข็งนี่คือความจริงของสถานการณ์นี้แต่ไม่มีประโยชน์นะครับที่เราจะไปเ ย, ออย้ยหันจะไปเหยียบย่าอะไร ร้อยอย่างที่ผมบอกคู่ต่อส so ู <ungs> <historia> <th> ้ของเราไม่ใช่สุเทพเพื่อสุบรรสุเทพเพื่อสุบรรก็เปรียบเหมือนสนธิลิมทองคุณอีกคนหนึ่งเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยตัวของเขาเองอยู่แล้วเพียงแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือว่าท่านสังเกตไหมครับว่าคนที่มาเดินตามหลังสุเทพเดี๋ยวนี้เนี่ย จำนวนมากเคยเดินตามหลังสนพมาก่อนแล้วผมจะเปรียบเทียบให้ท่านได้เข้าใจว่าอันไหนเรียกว่าของปลอมอันไหนเรียกว่าของจริงคนเสื้อแดงเนี่ยรวมตัวกันตั้งแต่หลังปฏิวัติ19กกันยาสีเกบางคนเป็นแดงรุ่นแรกพิมพ์นิยมบางคนเป็นแดงรุ่นกลางบางคนเป็นแดงรุ่นใหม่ดูมวลสารได้ เช่นเสื้อที่เอามาใส่ก็เป็นเสื้อรุ่นใหม่ใหม่หัวใจตบยังไม่อียมตีนตบยังไม่ค่อยได้ใช้อันนี้แสดงว่าแดงรุ่นล่าสุดแต่แดงแพ้เนี่ยยังไงก็แดงแดงแพ้จะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปยืนข้างสุเทพเพื่อสุบรรได้อย่างแน่นอนผมยืนยันใครที่ประกาศอยู่ที่เวทีนูกววด บอกว่าตอนนี้มีเสื้อแดงมาขึ้นเวทีด้วยเป็นเสื้อแดงกลับใจอันนั้นให้เขาพูดไปเอะครับแต่ผมไม่มีวันเชื่อเพราะคนเสื้อแดงตัวจริงเป็นคนที่เชื่อมันนกกรรนอม่นในหลักการประชาธิปไตยแล้วคนเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยไม่มีทางหลงผิดไปยืนกับสุเทพเพือสุบรรณได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะถ้าเป็นคนเสื้อแดงที่เคยออกมาต่อสู้ในสมัยปีห้าสาไม่มีทางไปยืนข้างสุเทพเสือสุบันได้เพราะไอคนนั้นมันฆ่าพี่น้องเราตายเพราะคนคนนั้นมันไล่ยิงเราอย่างกับเราไม่ใช่คนอย่างกับชีวิตเราไรค่ะพี่น้องครับแล้วเสื้อแดงเนี่ยก็อย่างที่บอก ของจริงได้เวลามีสถานการณ์ต้องสู้ได้พูดคุยประชุมปรึกษาหรือจัดพับรับกระบวนร่วมพลังเราก็ออกมาประกาศสัปดาห์ได้แต่สุเทพเสียสุบรรเพียงสี่เดือนเท่านั้นยักแย่ยักยันแล้ววันนี้ถามว่าปรากฏการณ์แบบนี้อธิบายยังไงก็อธิบายว่าคนที่ไปยืนข้างสุเทพ จำนวนมากเคยยืนข้างสนที่มาก่อนแต่เวลานี้ถ้าสนธินักชุมนุมคนกลุ่มนี้ก็ไม่เดินตามไปได้เพราะยือนอยู่กับสุเทพเทือกสุบัตคนกลุ่มนี้แต่ก่อนเนี่ยเคยใส่เสื้อสีเหลืองเป็นสั ญ, ญลักษณ์ใส่ไปใส่มาจนสีอันเป็นมงคลสีเสื้อที่คนไทยเคยใส่ด้วยความภาคภูมิใจด้วยความจงรักภักดี กลับกลายเป็นค่อยๆเลือนหายไปเดี๋ยวนี้แม่แต่พวกเขาเองก็ไม่เคยเห็นใส่เสื้อสีเหลืองเท่าไหรนะเดี๋ยวนี้มวลชนกอปปสมวลชนข้าบนอกวีดถ้าใครไปเรียกว่านี่และพวกเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองพวกนั้นเถียงนะบอกเราไม่ใช่เสื้อเหลืองถามแล้วคุณเป็นใครกปปปอปปสเราคือลูกทีมลุงกำนัน ทั้งทั้งที่เป็นคนคนเดียวกันแล้วน่าประหลาดไหมครับครั้งหนึ่งเคยเดินตามหลังสนธิลิมทองคุณแล้วครั้งหนึ่งสนธิลิมทองคุณเคยตั้งเวทีด่าพักประชาธิปัตยศาสเสียเทเสียจิกหัวดาสุเทพเทือกสุบรรนแบบไม่เหลือชิ้นดีแต่วันนี้คนที่เคยเดินตามเดินตามหลังสนธินั่นแหละครับเชื่อว่าสุเทพเป็นคนดีโดยอัตโนมัติ เป็นคนดีโดยชั่วข้ามคืนมันชั่วมายังไงไม่รู้ละตื่นขึ้นมาวันนี้มันดีและแล้วมันก็ดีตั้งแต่วันนั้นท่านเปียกรถผมกำลังยืนยันว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนการต่อสู้ของมวลชนนกกวิดย์และสุเทพเทียงสุบรรณนั้นไม่ได้เป็นสำนึกทางการเมืองไม่ได้เป็นอุดมการประชาธิ ป, ปไตยอย่างใดไม่แต่เป็นอคติ ที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของสังคมไทยที่ครอบงำความคิดของผู้คนมาตลอดยาวนานหลายสิบปีคนกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าชนชั้นสูงกลุ่มหนึ่งเป็นคนดีว่าชนชั้นสูงกลุ่มหนึ่งเป็นคนมากมายด้วยคุณธรรมและด้วยความดีงามและคุณธรรมของคนกลุ่มนั้นทำให้เขาสามารถที่จะลดทอนสิทธิเสรีภาพ ทางการเมืองของตนได้แล้วยกอำนาจให้คนพวกนั้นเพื่อหวังว่าสังคมมันจะดีขึ้นแต่อุดมการทางการเมืองของคนเสื้อแดงไม่ใช่เราปฏิเสธความดีแต่เรายืนยันว่าจะดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องมีค่าเป็นคนเท่ากันทั้งนั้นไม่ว่าเขาเป็นใครคนดีเนี่ย เราก็ไม่เชื่อ ว, ว่าใครจะดีพร้อมทุกอย่างแล้วคนเลวก็ไม่ได้แปลว่าจะเลวทุกเรื่องเสมอไปบางคนเป็นคนดีระดับจังหวัดแต่เป็นคนเลวระดับชาติบางคนเป็นคนเลวระดับชาติแต่กลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ดีงามระดับโลกแล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่ยุคสมัยสุเทพเตียสุบันยูสุราธานี อาจจะเป็นคนดีระดับจังหวัดได้แต่มาวันนี้ผมยืนยันและมั่นใจว่าสุเทพเทือกสุบันเป็นคนเลวระดับประวัติศาสตร์แน่นอนครับทันทีกรบไม่มีทางเป็นอย่างอื่นแล้วสิ่งที่เขาได้กระทำลงไปกับการเมืองในประเทศไทยนอกเหนือจากการไปปลูกฝังแนวความคิด ที่บิดเบือนหลักการประชาธิปไตยจนเกิดปัญหาความขัดแย้งใหญ่แล้วเขาได้ทำให้นักการเมืองอย่างพันตารวจโทตัดสินชินวัตรนักการเมืองอย่างนางสาวยิ่งรักชินวัตรกลายเป็นนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ในช่วเวลาข้าบวันข้าบเดือนพันตารวจโทตักสินชินวัตรเมื่อครั้งเล่นการเมืองใหม่ๆ ถูกปรามาตว่าเป็นเพียงนายทุนคนใหม่ที่เข้าสู่สนามการเมืองไทยเป็นเพียงการถูกปรามาว่าเป็นนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากพอคะแล้วจะมาหาประโยชน์เอาแต่ได้แต่จากการรุมกันกระทาย่ายีพันตำรวจโททักษินมาตลอดหลายปีติดต่อกันทำให้วันนี้ คนพวกนั้นรุมยำนายกทักษิณจนเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของผู้ถูกกระทาจากอำนาจเผด็จ ก, การในประเทศไทยจากทักษิณชินวัตรเป็นคนระดับชาไอพวกนั้นใช้เวลาไม่กี่ปีบังคับจนพันตำรวจโททักษิณเป็นคนระดับโลกไปแล้วเวลานี้ พลตำรวโทตั๊กเส้นขึ้นเวทีประเทศไหนพูดเรื่องประชาธิปไตยผู้คนเขาเปิดใจรับฟังต่างกับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์อย่างนายอภิสิทธิ์วิชาชีวะออกไปต่างประเทศขึ้นเวทีพูดเรื่องประชาธิปไตยฝรั่งหัวเราะกันฟันหักกัดตันเที่ยงรถเพราะเขาไม่เชื่อว่าคนคนนี้พูดเรื่องประชาธิปไตยได้นางสาวญิงรักชินวัตร ก็เชมนเดียวกันเธอเพิ่งลงสมัครการเมืองสมัยแระเธอเพิ่งเป็นสอสอสมัยแระเธอเพิ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยแระหลายคนปรามาวว่ายิงลักชินวัตเป็นได้แค่นายกหุ่นเชิดของพี่ชยัยหลายคนโจมตีกล่าวว่าว่ายิงลักชินวัตเป็นนายกรัฐมนตรี ที่ไม่มีอำนาจตัดสินใจเองเรื่องใดๆได้แต่ท่านที่เคารพครับสิ่งที่พักประชาที่ปัดกระทำสิ่งที่สุทเทพเพือกสุบรรณกระทำสิ่งที่อำนาจนอกระบบทั้งหลายกระทำอย่างอายุติธรรมต่อยิ่งลักษณชิ น, นวัตรครั้งแล้วครั้งเล่า กำลังผลักดันให้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้นำหญิงระดับต้นๆของเอเชียและอาจจะเป็นผู้นำหญิงระดับโลกได้ในอนาคตเพราะคนนี่จะยิ่งใหญ่ต้องผ่านการเคี่ยวกร้มและการเคี่ยวกร้มที่เข้มข้นไม่มีอะไรเท่ากับการเป็นผู้ถูกกระทำอย่างอายุติธรรม คนเขาแลเเห็นทั้งโลกว่าอะไรเกิดขึ้นกับนายกยิงลักธ์บ้างจากเดิมคนเขาก็จะรอว่าสี่ปีแรกในการเป็นนายกรัฐมนตรีเธอทำอะไรเดิมคนจะรอว่าถ้ามีโอกาสหลังจากสี่ปีแล้วประชาชนเลือกเข้ามาอีกเธอจะทำยังไงต่อไปหรือเพียงสี่ปีแรกเท่านั้นเธอกำลังถูกปฏิเสธจากคนไทยในสนามเลือกบ้าง นี่ล้วนเป็นคำถามที่โลกเขาตั้งคำถามมาที่ตัวนายกรัฐมนตรีแต่วันนี้สุเทอภิสิทษิ์ประชาธิปัตย์บรรดาหางเครื่องบรรดาแ็ะอัพเบื้องหลังทั้งหลายรวมกระทาต่อสุภาพสตรีคนนี้จนโลกทั้งโลกได้ยินคำพูดที่ยิ่งใหญ่เช่นจะขอตายในสนามประชาธิปไตยเยี่ยงทหารตายในสนามรบ เช่นจะขอเป็นนักมวยที่ย้อนถูกชกอย่างผิดกติกาจนกว่ากรรมการจะตัดสินถ้ากรรมการไม่ย้อนตัดสินกรรมการย้อนเห็นการทำผิดกติกาอยู่รำไปเธอก็จะถูกชกจนตายบนเวทีแล้วให้ผู้ชมเป็นคนตัดสินคนพูดแบบนี้ ถ้าอยู่ๆสุภาพสตรีที่ไหนขึ้นมาพูดก็เป็นคำพูดที่ฟังดูดีแต่ไม่มีความหมายแต่เมื่อวันนี้คนพูดคือสุภาพสตรีชิลิงลักินวัตน์ นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่จึงเป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่นี่จึงเป็นคำประกาศที่มีค่าเพียงพอที่จะทำให้โลกทั้งใบต้องปกป้องเธอไว้ในระบอบประชาธิปไตยคนพวกนั้นไม่ได้รู้เรื่องเลยนะครับว่าตลอดเวลาที่พยายามทำให้ประเทศไทยเป็นประเด็จการ หพวคุณได้สร้างความแข็งแรงให้กับฝ่ายประชาธิปไตยตลอดมาประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยไม่เติบโตเข้มแข็งได้รวดเร็วขนาดนี้แหละครับถ้าไม่มีปฏิวัติ19กันยาสไม่เข้มแข็งขนาดนี้ถ้าไม่มีพันธมิตรออกมาอาวาดยึดทำเนียบยึดสนามบินถ้าไม่มีเสื้อเหลืองก็ไม่มีเสื้อแดงและครับ คนเสื้อแดงไม่เติบโตเข้มแข็งขนาดนี้ได้หรอกครับถ้าหากไม่มีอยุติธรรมถ้าหากไม่มีสองมาตรฐานถ้าหากไม่มีการบิดเบือนการใช้กฎหมายเพื่อทําลายฝ่ายตรงข้ามเอื้อประโยชน์ฝ่ายเดียวกันคนเสื้อแดงไม่มีทางเข้าถึงอุดมการณ์ประชาธิปไตยได้อย่างลึกซึ้งขนาดนี้ถ้าพวกคุณไม่ฆ่าเขาตายเหมือนหมูหมาเมื่อปีอาสาม ดังนั้นถ้าคุณกำลังคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันถูกต้องถ้าคุณกำลังคิดว่าสิ่งที่คุณทำอยู่จะทำให้คุณเอาชนะฝ่ายประชาธิปไตยได้คุณกำลังคิดผิดแล้วคุณไม่มีทางชนะประชาชนได้อย่างแน่นอนคุณล้มคนเสื้อแดงลงได้ แต่เพียงร่างกายเขาเท่านั้นแต่คุณไม่สามารถล้มจิตวิญญาณและไม่สามารถล้มสํานึกทางการเมืองของคนเสื้อแดงได้วันนี้คนเสื้อแดงได้ปักธงประชาธิปไตยเป็นสํานึกทางการเมืองที่แลเห็นเด่นชัดเป็นรูปธรรม<ช><ด>คุณเข้าตาจน คุณก็อาจจะใช้วิธีการไล่ยิงเรากลางถนนคุณยิงคนแล้วคนเล่าคุณฆ่าศพแล้วศพแล้ ว, แ, ลวแต่คุณก็ต้องรู้ว่าทุกชีวิตที่หลุดลอยเขายังคงปักหลักอุดมการประชาธิปไตยและหลักแห่งประชาธิปไตยนั้นจะมีคนมาสานต่ออย่างแน่นอน วันนี้การจะเอาชนะคนเสื้อแดงได้มีวิธีเดียวคือให้ประเทศเดินไปตามกาติกาประชาธิปไตยคนเสื้อแดงก็จะยอมพ่ายแพ้และอยู่ภายใต้กติกาที่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้ต้องการสู้เพื่อให้เราอยู่เหนือกฎหมาย เราไม่ได้ต้องการสู้เพื่อให้เราอยู่เหนือกติกาแต่เราสู้เพื่อดึงเอาทุกคนลงมาอยู่ใต้กฎหมายเหมือนๆกันเราสู้เพื่อทำให้ทุกคนอยู่ภายใต้กติกาเดียวกันเราพร้อมจะยอมแพ้ความถูกต้องแต่พร้อมจะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องทุกกรณีทุกโลหมายใจ แล้วคุณยังจะทำอะไรคุณทำทักษณิณชินวัตรจนสามารถจะเดินทางไปได้รอบโลกเพื่อพูดคุยเรื่องประชาธิปไตยคุณทำยิ่งลักชินวัตรจนโลกทั้งใบคอยให้กำลังใจและเงี่ยหูฟังผู้นำคนนี้ว่าเธอจะพูดอะไรออกมาในสถานการณ์ที่กำลังถูกลุกล่คุณทำยิ่งลักชินวัตร จากอดีตนักธุรกิจที่บริหารองค์กรขนาดใหญ่กลายเป็นผู้นำประเทศไทยที่โลกทั้งโลกต้องจดจำอย่างไม่อาจลืมเลือนได้พวกคุณทำเองทางนั้นคุณอย่ามากล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงพวกเดียวกับเพื่อไทย เป็นรัฐมนตรีลูกน้องนายกจึงยืนเชียร์กันอย่างหน้าไม่อายไม่ใช่ใชแต่ผมพูดความจริงคุณยอมรับเถอะอาภิสิทธิ์มันเล่นการเมืองตั้งแต่ปีส5มหมันเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนหน้านี้แต่วันนี้เกียรติยศศักดิ์ศรีและความสง่า ง, งามของอาภิสิทธิ์เวชาชีวะไม่อาจเทียบได้แม้แต่เสี้ยวของยิ่งลักษณ์ชินวัตรแต่อย่างใด ยิงลักชินวัตมาตามกติกาเดินเข้าสภาเดินเข้าทำเนียบรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายอาภิสิทธิ์เวชาชีว์อ้างว่าเป็นนักการเมืองอาชีพอ้างว่าเกิดมาเพื่อทํางานการเมืองแต่ยินดีที่จากตมหัวเดินเข้าไปในค่ายทหารเพื่อแปลงกายออกมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากอํานาจพเด็จ ก, กัน ยิงลักชินวัตตัดสินใจยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์ตึงเครียดทางการเมืองอาภิสิทธิ์เวชาชีวะตัดสินใจใช้สไนเปอร์สั่งค่าประชาชนเป็นร้อยชีวิตบาดเจ็บสองมันเพียงเพื่อรักษาอำนาจที่ตัวเองไม่มีความชอบธรรมที่จะได้มาวันนี้ อย่าว่าแต่อภิสิทธิเวชชาชีวะเลยแม้แต่หกสิบกว่าปีของพรรคประชาธิปัตย์คุณก็ทำลายย่อยยับจนยิ่งลักชินวัตสะงางามกว่าเส้นทางทั้งหมดของพรรคประชาธิปัตย์ไปแล้วถ้าพวกคุณจะเชียร์กันเองเป่าลกหวีดยกยอกันเองก็ททำไปแต่สำหรับผมผมยืนยัน ว่าวันนี้ฝ่ายประเด็ดการในประเทศไทยได้ลงมือได้ลงแรงจนฝ่ายประชาธิปไตยตื่นตัวขึ้นและขยายตัวอย่างยิ่งใหญ่พร้อมต่อกรในทุกกรณี <S <S ผมเห็นว่าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่ท่านควรคิดที่ท่านควรทำหลังจากวันนี้ ก็คือยอมรับเสียทีว่าประเทศมันเดินนอกแนวทางประชาธิปไตยไม่ได้ยอมรับเสียทีว่าบ้านเมืองนี้ต้องเดินไปตามวิถีทางประชาธิปไตยเท่านั้นถ้ายอมรับแบบนี้ตรงกันคนเสื้อแดงก็พร้อมที่จะเดินหน้าไปพร้อมๆกันในฐานะคนไทยร่วมชาติ ถ้าไม่เอาแบบนี้ใจเราทำยังไงถ้าเขายืนยันว่าต้องตั้งนายกคนตลางต้องมีรัฐบาลหลากตั้งเราไม่ต้องเลือกตั้งกันอีกสักสองสปีให้เขาปฏิรูปตามใจใเสร็จก่อนแล้วค่อยมาเลือกตั้งกันอีกทีถามกันตรงนี้ยอมไห ม, ไมตกลงตามนั้นไห ม, ไมก่นนี้แหละครับ ทันอย่ามาหาว่าผมยุยงให้คนเขาต่อตา้านผมไม่ได้ไปยุยงเขาเขานะ้ายุยงผมอยู่ดูหน้าดูตาแต่ละคนะยอมใครซะที่ไหนและนั่งอยู่ข้างหน้าบางคนเนี่ยตั้งแต่อุดรยังไม่ได้นอนเลยจากอูดร น, นั่งอยู่จนเช้า นั่งปิกอัพจากอุดรเขา้กากาลสินเขา้าสารคามมาขอนแกน่นหลับหลับตื่นตื่นแต่พอได้ยินเพลงต่านั้นละครับขยับหัวใจตบทันทีสัญชาตายานมันสู้ดุเดือดโทษนะบางคนเนี่ยผมจับได้น้ำไม่ได้อาบตั้งแต่เมื่อวานแล้วถามว่าทำไมไม่อาบ ตอนในเมื่อนายยกวิเชียนประกาศยกอบจอทั้งอบจอให้มีขันน้ํามีน้ําเต็มตุ่มแถมสบู่หอมนกแกว้วบอกว่าที่จะไม่ได้อาบนี่เพราะว่าเตรียมตัวจะไปอาบตอนตีห้าแต่อาบไม่ทันถามว่าทำไมอาบไม่ทันเพลงมันพอดีเลยอาบไม่ได้บางคนนอกจากว่าน้ําไม่ได้อาบแล้ว ชุดก็มาชุดเดียวอ้างว่าเป็นชุดเครื่องแบบนักสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ไม่มีใครรู้สึกรังเกียจไม่มีใครรู้สึกว่าเป็นเรื่องน่าอับอายเพราะวันนี้ทุกคนมั่นใจว่าคนที่ทำลายประชาธิปไตยต่างหากเป็นคนที่ควรอับอายและควรแทกแผ่นดินหนีไป แล้วการต่อสู้ของคนเสื้อแดงง่ายๆครับไม่มีอะไรซับซ้อนวันนี้เป็นวันแรกที่เราใช้ระบบแรนลี่ทางไกลสามร้อยกว่ากิโลเมตรการจัดการอาจจะคลุกคลักบา้างเพราะว่าขบวนมันยาวไปผ่านตามสี่แยกรถเขาตัดขบวนตัดขบวนมีพลัดหลงกันอะไรต่อไรแต่เราก็แก้ปัญหาของเราเองได้เสร็จทุกอย่างง่าย บอกว่าจะไปกินข้าวกันในเมืองกาลสินเวลามันไปกินไม่ทันกว่าจอดกินมันสัก้างทางนั่นแหละครับเต็มพืดไปหมดแล้วต่างคนต่างกินไม่ต้องใครให้สัญญาณใครทีแรกในี่ผมเป็นห่วงว่าเอา้าตายแล้วเลยเที่ยง แล้วกาลสินเนี่ยข้างในมีงานกาชาติผมเองก็ขบวนถูกตัดหางกว่าจะไปถึงเนี่ยเกือบบ่ายสองที่กาลาสินห่วงว่าใครจะให้สัญญาณชวนพี่น้องกินข้าวปรากฏว่าพอเข้าใกล้เมืองกาลาสินแต่านั้นแหละครับหลักฐานเป็นกล่องโฟมขาวตลอดทางแสดงว่าพี่น้องจัดการตัวเองได้เสร็จสั์และอย่างที่บอกโดยเรียบง่าย บางบ้านทำกับข้าวก็เอาใส่ถุงก๊อแก๊บ ม, มายักใส่รถบิกอัพให้ขนาดรถผมเป็นหกล้อยังได้ปลาสับมาตั้งทัพโปแว์นะครับแล้วได้ขนมข้าวต้มมากมายไปหมดรับกันไม่หวาดไม่ไหวถามว่ารู้จักกันไหมไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว แต่รักห่วงใยกันเสมือนญาติกันเสมือนพี่น้องบางคนขับรถผ่านไปผ่านมาหาปั๊มน้ำมันไม่เจอมีธุระขับขันต้องเข้าห้องน้ำก็จอดแถวนั้นแหละขอเข้าในบ้านเขาเขาก็ให้เข้าสบายสบายเอาลี่แล้วครับ คือความรักความผูกพันกันของคนรักประชาธิปไตยความรักความผูกพันกันของคนสแสดงแล้วพี่น้องอย่าไปคิดว่าการที่เราชวนมาอดตะลับขับตนอนนั่งรถแรมร้อนกัน300รอยกว่ากิโลกินข้าวกันข้างทางเป็นกิจกรรมที่ไม่มีความหมายไม่ใช่วันนี้นอกจากเป็นการแสดงพลังซักซ้อมแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ถ้าคนเสื้อแดงกองทัพประชาธิปไตยอดลับอดนอนไม่ได้กินมือ้ออดมื้อบ้างไม่ได้นั่งรถปากเปลวแดกยาวๆเป็นวันไม่ได้เราจะเอาพลังที่ไหนไปต่อสู้กับอำนาจเผด็จการที่มันยิ่งใหญ่ครอบครองประเทศไทยมาหลายสิบปีแต่หัวใจเรามันผ่านมาได้ทุกอย่างอดนิดอดหน่อยก็ทนได้ มีกินก็แบ่งปันแล้วก็เดินหน้าไปด้วยกันเพื่อประชาธิปไตยสู้นำกันบ่สู้นำกัน บ, อนนบอ่อีหลีบ่พี่น้องครับพรกพวกบอกว่าจะชวนพี่น้องอยู่กันถึงแปดโมงเช้าร้องเพลงชาติประกาศสัตยาบัน แต่ผมคุยกับพรรคพวกข้างหลังว่าดูพี่น้องเถอะถ้าหากว่าผ่านการ้รอนแรมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามาก็ดูตามสถานการณ์เพราะถือว่าภารกิจสำคัญลุล่วงแล้วเดี๋ยวเวทีจะมีกิจกรรมอะไรต่ออีกหน่อยแล้วหลังจากนั้นเราดูกันคืนนี้ถ้าอยู่ยันเช้าเราก็ประสบความสำเร็จถ้ายุติกิจกรรมก่อนเช้า ก็ถือว่าสําเร็จเพราะสิ่งที่โลกได้แลเห็นคือขบวนมวลมาหาประชาชนตัวจริงในภาคกลางวันแล้วไอคํามวลมาหาประชาชนเนี่ยพี่น้องอย่าไปคิดว่าเป็นคําของเขานะครับเป็นคำที่คนเขาใช้กันทั่วไปมาตั้งแต่สมัยก่อนแต่สุเทพเอาไปใช้จนใครไม่กล้าเอามาพูดอีก ข้วมวลมหาประชาชนในความหมายสดเทพเนี่ยมันทำอะไรก็ได้ทำอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายมันบุกเข้าสถานที่ราชาการก็ได้มันล็อกโซ่ล็อกกุญแจเขาก็ได้มันไล่ข้าราชาการมันกระทืบตำรวจก็ได้มันยิงปปคอนก็ได้แล้วอธิบายว่า น, นั่นคือมวลมหาประชาชนจึงทำให้คำนี้เป็นคำสแสลงก่เหมือนวันนี้ครับเราก็โชว์สั ญ, ญลักษณ์ธงชาต เรากะโบกธงชาติไทยปลิวสวัยเพราะธงไตยรงทงชาติไทยไม่ใช่ธงของกลุ่มนายสุดเทพเพื่อสุบรรตแต่เป็นธงไทยรงของคนไทยทุกๆคนเต่าเต่ากันเหมือนเหมือกันเอาธงชาติขึ้นมาโบกช่วยปลิวสวัยหน่อยนี่คือธงชาติไทยของเรานี่คือ ทงใจร่งของเราขอบคุณพี่น้องครับสวัสดีครับเอาเสียงเสียงเสียงแล้วชัดเจนทุกคำพูดทุกถ้อยคำพี่น้องครับเรายังมีผู้ปาศัยอีกและเรายังมีศิลปินเพลงอีกมากมายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา พบกับผู้ปาสัยท่านต่อไปเลยครับบบมือต้อนรับพิพัชชัยภัยบูร์และจะเจอกับจาประสิทธิ์ชัยศรีษาครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับด้วยความที่ว่าเราสู้กันมาสองคืนกับสองวันแล้ว พี่น้องที่กำลังลุกจะกลับบ้านก็ไม่มีปัญหาส่วนพี่น้องที่จะอยู่ต่อไม่กลับเราก็จะสนทนากันอย่างนี้เรื่อยไปแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องที่เคารพทั้งหลายว่าพี่น้องครับวันนี้ตั้งแต่แปดโมงเชาจนกระทั่งถึงณเวลานี้ ในการเคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตไปกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นการเคลื่อนพลที่มีศักยภาพเป็นการเคลื่อนพลที่น่ารักมากผมไม่บางอาจที่จะขออะไรจากท่านแต่เพียงผมขอจากพี่น้องประชาชนว่าพี่น้องที่เคารพครับขอเสียงตบมือดังๆให้กับตัวเองสักครั้งได้ไหมพี่น้องที่เคารพ